โยกปโกติหิปีอปมาอย่างการังการนโตอดีดุกระหันีเขทังกระโรไกตายนาโตนโมมหากรุณิกัสตาสาอานันต์กรุณาปัญญ์งตทาคตานุตารังวันเดตาวาเิระสา ดำมังสาทุขันนำพิจาข้าพเจ้าขอน้อมถวายนมาส ก, การพระผู้มีพระภาคผู้เป็นด่พึ่งผู้ประกอบด้วยพระมหากรณาธิคุณพระองค์ผู้ทรงกระทากรรมที่ทำได้ยากอย่างยิ่งตลอดกาลซึ่งจะนับประมาณไม่ได้แม้ด้วยหลายโกรธกับทรงถึงซึ่งความยากลำบากเพื่อประโยชน์เกื้อคูลแก่สัตว์โลกข้าพเจ้าขออภิวาทพระตถาคตผู้ประเสริฐ ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณและพระปัญญาคุณอันหาที่สุดปี่ได้พร้อมด้วยพระธรรมและหมู่อริยสงฆ์ด้วยเสียรกล้าวเป็นนิดขอความเจริญในธรรมยงมีแด่เราท่านทั้งหลายนะครับเอาวันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของวันที่สามที่เราจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในเรื่องของพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน ในช่วงนี้นะครับได้กล่าวมาแล้วว่าโดยทั่วไปบารมีทั้งหลายมีลักษณะที่ร่วมกันก็คือการช่วยเหลืออนุเคราะห์ผู้อื่นเนี่ยเป็นกิจเป็นลักษณะมีกิจก็คือการกระทําการช่วยเหลืออุปการะผู้อื่นกิจแล้วก็มีความไม่หวนไหวอันนั้นเป็นอาการปรากฏแล้วก็มีความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นจุดหมายปลายทาง พื้นเพของบุคคลที่จะบำเพ็ญพระบารมีนั้นก็ต้องมีพื้นฐานก็คือมหากรุณาและความเป็นผู้มีอุปายะโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการที่จะบำเพ็ญบารมีนั้นๆ น, นที่จะบรรลุจุดหมายทานบารมีคืออะไรก็คือเจตนาที่จะบริจาคตนเองและอุปกรณ์ต่างๆโดยมีกรุณาและอุบายก็คือปัญญากํำกับอยู่ฉะนั้นในการให้ในการสละในการแบ่งปันนั้น มีการุณาเป็นฐานของความคิดด้วยแล้วก็มีปัญญาคือความชาญฉลาดในการสละในการให้แม้ศสียระบรารมีก็มีความประพฤติทางกายทางวาจาที่มีการุณาและอุบายนะอุปายโกศลกํากับอยู่เหมือนกันคือความฉลาดด้วยการงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ควรกระทําและมีความตั้งใจในการกระทําสิ่งที่ควรกระทาอย่างนี้เป็นต้นเนคขมะบรารมีก็มีการจิตคิดออกจากกาม ออกจากภพคือการมาภบรูปภพและรูปภพออกจากขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีการเห็นโทษของกามและก็เห็นโทษของภพในการก่อนโดยมีกรุณาและก็มีอุปายโกศลกำกับก็มีทั้งความการุณาและมีความฌานฉลาดในการบำเพ็ญในการเจริญแม้การบำเพ็ญปัญญาบารมีก็คือความรู้ลักษณะทั่วไปและก็ลักษณะพิเศษอย่างละเอียดของสภาวธรรมทั้งหลาย คำว่ารูลักษณะทั่วไปเนี่ยก็คือรู้ลักษณะของความไม่เที่ยงก็เรียกว่าสามั ญ, ญลักษณะนั่นแหละสามั ญ, ญลักษณะคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งทั้งภายในและภายนอกแล้วก็ปัจจารลักษณะก็คือลักษณะเฉพาะตัวเช่นรูลักษณะรู้กิจหน้าที่รู้อาการปรากฏและโรคเหตุใกล้ของรูปธรรมและนามธรรมอย่างนี้เป็นต้น นั่นคือปัญญาวิริยะบา ร, รมีก็มีการขวนขวายมีการก้าวไปใจสู้ในการที่จะกระทำประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยกายด้วยใจโดยไม่โดยมีความกรุณาและอุปาญโกรสนกํากับอยู่เช่นเดียวกันขันติบา ร, รมีนี้เป็นอะไรเป็นอาการเกิดของจิตมีความตั้งมั่นมีความอดทนทั้งทนแบบตั้งรับและบุกฝ่าอดทนต่อความผิดของสัตว์ทั้งหลายที่กระทําแล้วมีความไม่โกรธเนี่ยเป็นใหญ่ด้วย ก็ทั้งมีทั้งกรุณาและก็มีทั้งอุปายกศลคือปัญญาเป็นตัวกากับเช่นเดียวกันสัจบรรมีก็มีการไม่กล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมีการเว้นการกล่าวบางอย่างเป็นต้นโดยมีกรุณาคือความสงสารก็อุปายกศลคือปัญญาเป็นตัวกากับในการกล่าวในการกระทาบา ร, รมีนั้น อธิษฐานบา ร, รมีก็มีความตั้งมั่นสมาทานอย่างไม่หวั่นไหวก็คือตั้งมั่นตั้งใจมั่นที่จะเป็นไปโดยาการต่างๆกำกับด้วยความกรุณาและอุบายกุศลด้วยเมตตาบา ร, รมีก็มีจิตใจไม่ประทุษร้ายมีความปรารถนาที่จะนำประโยชน์ความสุขให้แก่โลกและมีความกรุณาและอุปายกุศลกำกับอุเบกขาบา ร, รมีมีการดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอข้อนี้สำคัญในความปรุงแต่งของสัตว์ทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจ อันขจัดอนุญยะก็คือความคล้อยตามและปฏิฆะก็คือการกระทบกระทั่งการติดขัดโดยมีความกรุณาและอุปายากุศลกำกับฉะนั้นถ้ามองลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นชัดว่าทานมีการมีลักษณะคือการสละคือการให้มีกิจก็คือกำจัดความโลภในทตรยธรรมเป็นต้นเน่อาการปรากรกดก็คือมีความม่ยึติดและก็มีสภาพที่ปรากฏก็คือมีภาวะสมบัต พื้นฐานคือวัตถุที่ควรบริจาคอย่างนี้เป็นต้นส่วนศีลก็มีการสมาทานการตั้งอยู่ความเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายเป็นลักษณะมีกิจก็คือการทําลายความทุศีลมีอาการปรากฏก็คือความที่กายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดมีหิริอัตตะอย่างนี้เป็นต้นเป็นเหตุใกล้ดังที่ได้กล่าวแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อสักครู่ที่พระท่านถามว่าเอในกรณีที่พระเจ้า พระโพิษัทท่านบําเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยท่านบําเพ็ญบา ร, รมีในแต่ละอัตภาพบําเพ็ญข้อเดียวใช่ไหมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นในพระชาติที่เป็นเวสันดรชาดกเนี่ยที่เราได้ศึกษากันค่อนข้างมากเนี่ยทานบา ร, รมีเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับมีทั้งทานบา ร, รมีด้วยศีลบา ร, รมีด้วยเนคข ม, มะด้วยสังเกต ด, ด้วยนะการออกบวชน่ยปัญญาบา ร, รมีด้วยในการที่ใช้ปัญญาในการพิจารณาทั้งหลาย แล้วก็มีวิริยะบา ร, รมีด้วยมีความแกล้ากล้าอาถารในการที่จะในการที่จะฟันฝ่าปัญหาโุภสศักดมีคันติบา ร, รมีด้วยมีความอดทนเห็นไหมอดกลั้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นในขณะที่ตนเองสละบุตรสระภรรยาเป็นต้นเวลาความโกรธจะเกิดขึ้นก็สามารถอดกลั้นความโกรธไว้ด้วยได้อย่างนี้เป็นต้นในนี้เป็นคันติบา ร, รมีแล้วก็มีสัจจะด้วยเมื่อเปล่งวาจาไปแล้วก็ต้องทําให้ได้จริงๆอธิษฐานบา ร, รมีด้วย หมายความว่ามีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีอนุปาทานปณิธานเป็นจุดหมายแล้วก็มีเมตตาบา ร, รมีมีใจรักปรารถนาดีต่อลูกต่อบุตรต่อภรรยาต่อบุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่นเป็นต้นด้วยแล้วก็มีอุเบกขาบา ร, รมีก็คือมีความวางใจเป็นกลางมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นสมบัติของตนฉะนั้นในทุกอัตภาพมีบา ร, รมีทุกบา ร, รมีเนี่ยเด่นนะสามารถหมุนได้หมดทีนี้เวลาเรานํามากล่าวนํามาเสนอมันอยู่ที่เราจะหยิบจุดไหน หยุดหยุดหยิบจุดไหนโฟกัสไปจุดไหนของกระแสชีวิตแล้วมาโชว์ถ้าโฟกัสจุดทานทานก็จะเด่นโฟกัสจุดศีลศีลก็จะเด่นโฟกัสจุดในเนกขมะเนกขมะก็จะเด่นฉะนั้นในทุกอัตภาพมีพระองค์บำเพ็ญบารมีทุกบารมีนั่นแหละแต่ว่าเราจะสามารถหมุนได้แค่ไหนอย่างไรแต่โดยส่วนใหญ่ในสังคมไทยเนี่ยจะขับเน้นที่ทานในบารมีแต่จริงๆแล้วมีบารมีทุกบารมีครบหมดนะฉนั้นเราในฐานะที่เป็นพระธรรมทูตเนี่ย พระธรรมทูตหรือผู้จะศึกษาเป็นพระธรรมทูตหรือเตรียมพระธรรมทูตเนี่ยก็ให้นึกถึงว่าเวลาเราจะไปประกาศคําสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าใช่ไหมอย่างที่พระเจ้าหลังจากประชุมหลังจากที่พระอรหันตสาวกประชุมได้ครบแล้วเนี่ยหกรูปในภรษาแรกพระเจ้าก่อนออกพระออกภาษาปุ๊บพระเจ้าประชุมแล้วพระเจ้าว่าไงบอกว่าจรถะภิกเวจริกังปโฮชนะหิาจายโผชนะสุขาญาโรกาโนกามปายาเดวมนุษยานางเป็นต้นแล้วก็บอกดูก่อนภิสูุ์ทั้งหลาย เราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คําว่าเราในที่นั้นหมายถึงพระเจ้าพ้นแล้วบ่วงจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสผโภถภะอันน่าปรารถนาหน้าใข้หน้าชอบใจของของทิพยญสมบัติมีเทวภูมิเป็นต้นทั้งที่เป็นของมนุษย์รูปเสียงกลิ่นรสผโภถภะและธรรมารมทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์เอยบุตรเอยภรรยาเอยญาติมิตรเอยบ้านเรือนเจดีย์ยอดชื่อเสียงที่เป็นของมนุษย์ ท่านบอกว่าท่านประกาศยืนยันว่าเราเป็นผู้พ้นแล้วคือตัดราคะโทสะโมหะในการที่ไปติดข้องในการมาคุณในการมาคุณในการมะวะัตถุในกิเลสกรรมวัตถุกรรมเหล่านี้ได้หมดแล้วแล้วแม้เธอทั้งหลายนั้นพูดถึงพระทหารสาวก60สรูปก็เป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แล้วก็บอกดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกนลหลนึ่งปนตหล่อนี้ใช่ไหม เธอจงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นความงามในท่ามกลางความงามอันสูงสุดประกาศพรหมจรรย์ให้ถึงพร้อมอัฏฐะและพยานชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเออให้เธอไปนะให้แสดงความงามของพระธรรมศีลเป็นความงามของพระธรรมในเบื้องต้นใช่ไหมสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางท่ามกลางปัญญาเป็นความงามอันสูงสุดเธอก็จงไปประกาศศีลสมาธิปัญญาที่เป็นหลักการของพระศาสนาเนี่ย ให้ไปไประชมอยู่ในกระแสชีวิตของบรรดาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขามีอะไรเป็นตัวดําเนินชีวิตเขาเขามีตัณหาคือความทยานอยากมีมานะคือความยกตนชูตนเปรียบเทียบตนแล้วเขามีทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นตัวนํากระแสชีวิตเธอก็ไปเปลี่ยนรหัสเขาใหม่จากการที่เอาตัณหามานะทิฏฐิเขาออกก็เอาศีลสมาธิปัญญาไปใส่ในกระแสชีวิตเขาเขาเปลี่ยนรหัสชีวิตมนุษย์เขาใหม่ให้เขาเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักดําเนินชีวิต เพื่อจุดหมายคืออนุปาธาปฏินิพพานการพ้นจากกิเลสและวองทุกโมงใช่ไหมก็ปกติเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเขาเขาดำเนินชีวิตด้วยตัณหาใช่ไหมอยากได้ทยานอยากในการมาคุณให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งไม่ยิ่งแล้วก็มีมานะก็ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเนี่ยมานะมีทิฏฐิก็มีทัศนคติปิดเห็นผิดยึดความเห็นของตนเองเป็นใหญ่เป็นต้นเหล่านี้เป็นทัศนคติเป็นบุมมองตนเองเป็นข้อคิดของตนเองไม่ยอมรับฟังความเห็นของบุคคลอื่น สัตว์โลกทั้งหลายก็มีกิเลสสาตัวนี่แหละคือตัณหามานาัสตินำพากระแสชีวิตฉันพวกเธอจงไปแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นคือศีลที่มีความงามในถ้ำกลางคือสมาธิคือมีความงามในที่สุดคือปัญญานะเอาศีลสมาธิปัญญาพารรณนาความงามของศีลสมาธิปัญญาว่า ง, งามยังไงแล้วไปถอดเปลี่ยนรหัสใหม่สัตว์โลกทั้งหลายมันใช้รหัส3ตัวนี่แหละคือตัณหามานาัสติก็ไปเปลี่ยนรหัสคือตัณหามานัสติออก เอาศีลเอาสมาธิปัญญาไปใส่ประชมไว้ในกระแสชีวิตให้เขาดําเนินพฤติกรรมทางกายวาจาเป็นไปกับศีลจิตของเขาให้ดําเนินไปกับสมาธิทัศนาความเห็นของเขาให้เป็นไปกับปัญญาเมื่อเขามีศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักดําเนินชีวิตเขาก็ดําเนินไปตามมัชมาปฏิปทาโดยมีจุดหมายคืออนุปาธาบริณีพานคือการสิ้นจากกิเลสกองทุกมองเห็นไหมนี่คือหลักการที่พระย่าบอกพวกเรานะบอกภาษาวรรุ่นแรกเรื่องธรรมโทูกรรมมังกรรมหรือการกระทําพระธรรมทษชุดแรกของโลกอะเนี่ยคือ60รูปนั่นแหละ พวกเราอยากจะเป็นนักศึกษาหรือเป็นพระเตรียมพระธรรมทูตเนี่ยก็ต้องมองดูรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศออกจากไป่าอิศิปตนัมฤรกระท า, า, าวยวันแฝงเมืองบา ร, รานสีนั่นแหละที่หมุนกองร้อยอย่างทำแล้วก็นําพาสามารถนำํำทำมาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไปฉลมใจแก่ชาวโลกให้สัตว์โลกทั้งหลายที่ดําเนินชีวิตไปตามตันหามนาสิทธิ์ถี่ยให้เปลี่ยนรหัสใหม่หมองออกไหมฮะปกติสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นไหม เราเป็นแบบนั้นไหมถามวาเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยเราต้องการอะไรต้องการสุขเวทนาเป็นจุดหมายไหมมีสุขเวทนาเป็นจุดหมายไหมคือความอร่อยใช่ไหมนั่นแสดงว่าตัณหาเป็นตัวแล้วก็มีอัตราตัวตนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมต้องการให้ตัวตนได้อิ่มได้สุขเวทนาใช่ไหมเล่าโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือต้องการสุขเวทนาเป็นเป้าประสงค์มีอัตราตัวตนเป็นศูนย์กลางมีความไม่รู้อยู่เบื้องหลัง กรณีอย่างนี้ก็เราก็ดําเนินชีวิตด้วยตัณหาและอย่างหนึ่งเราก็จะได้ให้ตนเองดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นแข็งแรงขึ้นยกตนชูตนเปรียบเทียบตนนี้เป็นมานานะและมีทิฏฐิว่าฉันต้องกินอาหารแบบนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ชอบนี่เป็นตน้นเป็นทัศนคติแบบเนี้อย่างนี้เป็นต้นก็เราก็ยังดําเนินชีวิตด้วยตัณหามนานะทิฏฐิอยู่สัตว์โลกทั้งหลายก็เป็นแบบนี้ครับคนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุเป็นพระอริยะก็แปลว่าเขาถอดรหัสตัวนี้ออกได้เอาตัณหามนาทิฏฐิออกไปเอาอะไรมาแทน เอาศีลสมาธิปัญญามาแทนแค่เนี้ยหลักการแค่เนี้ยง่ายไหมแบบเนี้ยไปเจอใครมาเบียเศษปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนรหัสใหม่ถอดรหัสคือตั้หามาหน้ที่ติออกก็เอาศีลไปกํากับพฤติกรรมเขาแทนเอาสมาธิไปกํากับจิตใจเขาแทนและทัศน์ความเห็นเขายังวิปลาิตอยูเอาปัญญาไปใส่แทนเขาก็มีปัญความเห็นที่ถูกต้องถ้าใส่รหัสตัวนี้ได้เขาก็เป็นพระอริยะถ้าใส่ไม่ได้เขาเป็นบุตรชนหลักการมีแค่เนี้ยง่ายไหมแบบเนี้ย พูดง่ายทํายากจริงไหมเออเนี่ยเระัตศาสตร์โลกมันวิปร UM ิตผิดเพี้ยนกันบ่อ้ตัณหามนาิทิฐิแล้วก็ไปเปลี่ยนดี่ใช่ไหมเปลี่ยนใหม่บอกเออไม่ได้เรื่องแล้วคนดําเนินชีวิตโดยตัณหาเนี่ยเพราะคุณไม่ดําเนินไปตามศีลพฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางวาจาไม่เป็นไปกระศีนงั้นก็ศีลไปใส่ในกระแสชีวิตเขาเสียเขาจะได้ไม่พุกพ่านใช่ไหมพอศีลไปกํากับปุ๊บ การเกรินกลนกรจัดกระจายด้วยความทุ่มสินเก็หายไปโอ้เรียบร้อยเลยเออมนุษย์คนนี้เพราะเราหัดท่องศีลไปใส่ปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมโอ้เดินก็เรียบร้อยยืนก็เรียบร้อยนั่งก็เรียบร้อยมีการพูดจาก็เรียบร้อยพฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางวาจาโอ้เรียบร้อยเลยแล้วจิตใจมันยุบฟุ้งซ่านอยู่ทำไงอาสมาธิไปใส่ถอดถอดความฟุ้งซ่านเอาไปสมาธิโอ้เรียบร้อยเลยสมาธิมีความตั้งมั่นแห่งจิตเอาความเห็นยังวิปริตอยู่ยังเห็นผิดอยู่ก็ปัญญาไปใส่ถอดมิจฉาทิฏฐิออกมาเมื่อเขามีศินสมาธิปัญ ญ, ญาเป็นหลักดําเนิินชีวต เรียบร้อยอย่างเดิมนี้ยเป็นพระอริยะเลยก็ถอดความเป็นบุรุชนออกให้เขาความเป็นอริยะบุคคลก็พัฒนาดีความเป็นอริยะประเสริญ ย, ยังไงความเป็นบุรุชนมันเจ็บปวดยังไงก็บอกเขาจริงไหมครับ <laughs> การเป็นบุรุชนเนี่ยเจ็บปวดมากทรมานมากต้องมาเกิดบ่อยแก่ บ, บ่อยเจ็บบ่อยตายบ่อยๆต้องมาโศกบ่อยๆร่ำไรรำพันบ่อยๆไม่สบายกายไม่สบายใจต้องมาขับแค้นใจบ่อยๆชอบไม่ทำเขาแคนั <laughs> ้นอยากไหมอยากเกิดแก่เจ็บตายบ่อยๆไม่ต้องมาเจ็บปวดต้องมาทรมานเนี่ย ต้องมาดูแลอัตภาพมาต้องมาคิจทาแล้วทําอีกเนี่ยเรียนมาทั้งหมดเนี่ยลืมหมดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดมาก็ต้องมาเรียนใหม่เอาไหมว่าเงี้นเอากลับมาเรียนใหม่ๆอย่างนี้อีกร้านรอบสองร้านลรอบเอาไหมว่าเงี้นเด้อเนี่ยเราก็ต้องมาทำไงเนี่ยทําปริญญาตีโทรปริญญาเอกตายปุ๊บต้องมาเรียนอนุบาลใหม่ <c oughs> โอหเจ็บปวดเหลือเกินยังไต้องมาหัดเดินใหม่หัดพูดใหม่เนี่ยสังสารวัตมันเจ็บปวดแบบเนี้ย ก็บอกเขาเข้าใจแบบนี้เขาจะอยากเกิดไหมมนุษย์เนี่ยไม่อยากเกิดรอกจริงๆริงเนี่ยมันต้องมาแบบเนี้สังสารวัตรมันไม่จบมันไม่ใช่เกิดครั้งนี้ไม่เหมือนอย่างาศาสนาของพระเจ้านี่าศาสนาพระเจ้าเป็นไงรู้ไหมเออเขาเป็นเงีเ้ยหลวงพ่อรู้ไหมาศาสนาพระเจ้าเป็นไงอี่เขาคิดอย่างนี้นะเขาบอกว่าถ้าอิสลามเป็นเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเขาทําถ้าเขาเพียชีพเพื่อพระเจ้ามันจะมีรักแต่ว่า วันสิ้นโลกเนี่ยพระเจ้าเนี่ยเขาจะมาคอยพิพากษานะครับวันพิพากษาวันสิ้นโลกเนี่ยพระเจ้าก็จะมาคอยหยิบดวงวิญญาณมาพิจารณาดูอย่างพวกเราตายไปแล้วยังไม่ได้ไปไหนนะต้องรอว่าพระเจ้ามาพิพากษาเขาจะหยิบดวงวิญญาณมาใช่ไหมถ้าจะหยิบดวงวิญญาณท่านพิจารณาดูโอ้โหในในชาตินี้ท่านทําอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหไม่เคยอ้อนวอนพระเจ้าเลยนี่คือความผิดอย่างมหันนะ เนี่ยอย่างที้่เขาจับยนลงไปในนรกทั้งๆที่ความดีอ ย, อย่างอื่นเขาไม่สนใจนะความชั่วเออความผิดหยุดประการเดียวคือทําดีมาทุกอย่างเสียอย่างเดียวไม่ได้อ่อนวอนพระเจ้า น, นี่คือความเสียหายเขาจะจับยนต์ลงไปในนรกคุณจะทําชั่วมาขนาดไหนก็แล้วแต่แต่คุณอ้อนวอนพระเจ้าใช่ไหมอันนี้คือความดีของเขาก็จับยนต์ไปในสวรรค์นี่เขาจะมีลักหนังเงี้ยวันพุธ ว, วันพิพากษานี่นี่คือศาสนาพระเจ้าเป็นอย่างนี้แต่มันจะมีส SI ิทธิพิเศษอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มพีชีพครับกลุ่มพีชีพเพื่อพระเจ้าของเขาเนี่ย คุกล้าพีชีพทําอะไรต่างๆเพื่ออุทิศแด่พระเจ้าของเขากลุ่มนี้ไม่ต้องรอวันพิพากษาพวกนี้พลาดเลยครับพอตายปุ๊บเนี่ขึ้นไปอยู่บสวรรค์เลยเนี่ยเอาไว้เล่าแบบนี้ชอบไหมเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาไม่พอใจนะแต่เรื่องจริงเป็นแบบนี้ฮะเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเข้ารู้จักเขาไม่ใช่โจมตีเขายังไม่เล่าแล้วในคํากล่าวนมในการก ล, ากล่าวบูชาพระเจ้าของเขาเนี่ยที่เขาสวดกันไม่กี่คําเนี่ยนั่นแหละ เขาสวดอ้อนวอนพระเจ้าเขาแล้วเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดสมมุตินะครับเราเนี่ยเอาของเนี่ยไปแจกแกเขาเนะครับเอาข้าวก็ได้เอาน้ําก็ได้เอาอาหารเอาเสื้อผ้าเอาสิ่งของหรือไปทําที่อยู่อาศัยให้แกเขาเนี่ยเขาไม่ได้ขอบคุณเราเนะเขาขอบคุณใครทำไมขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าของนี้ของพระเจ้าอยู่แล้วคุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณเพียงหยิบของพระเจ้ามาให้เขาเท่านั้นไม่ไม่มีเหตุผลที่ต้องมาขอบคุณเลยคุณ เข้าใจยังพ่อไปหยิบของพระเจ้ามาให้เขาของทุกอย่างนี่พระเจ้าเสกพระเจ้าดนบันดาลอยู่แล้วเนี่ยหลักการคืออย่างเนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นอย่าไปดูถูกความคิดเขาใช่ไหมครับแต่หลักการของเราเราก็ต้องชี้แจงคําสอนหลักความเป็นจริงอันนั้นเป็นหลักความเห็นหลักความเชื่อเขาก็ว่าเข้าไปจริงไหมครับของเราเนี่ยประเด็นคือพระธรรมทูตเนี่ยให้สังเกต ด, ดูธรรมทูตชุดแรกมีพันธุ์พระัญยากลทัญญาวะปะ่าพัทธิยะมหานามาสชี้ แล้วก็ญัตสะสุภาหูปุลนชิกวัมปติเป็นต้นเหล่านี้ทั้งหกสิบรูปเนี่ยท่านจาริกไปพระริจาบอกให้ไปกันที่ละรูปเพราะในยุคนั้น น, นพระน้อยใช่ไหมนั้นกองทัพแห่งธรรมะการหมุนกงล้อแห่งธรรมก็เริ่มเริ่มณัปบัตินั้นแล้วรวดเร็วมากพระริจ้าเนี่ยทำงานเร็วมากพุทธศาสนาเผยแพร่เนี่เร็วมากยังก็เชื้อเลยครับป๊๊อปป๊อให้สังเกตดูนะดูการทํางานน่ยไม่หยุดเลยพอออกพรรษาปุ๊บ พอภิกษุเหล่านั้นก็ออกไปเผยแผ่พระบรมศา ส, สดาก็เสด็จที่ไร่ไฝ้โปรดปรพัทวคี30ได้บรรลุปเป็นพระอนาคาเห็นไหมแล้วก็บวชออกจากนั้นไปก็ไปที่อุรุเวลาเสนานิคมใช่ไหมไปฉดินสพี่น้องไปทรมานอยู่ระยะหนึ่งพอทําลายทิฏฐิอุรุเวลาเสลานอุรุเวลากสบเสร็จแล้วต่อมาเนธิกกัสปากยากสปะมาบทเสร็จแล้วพุทธยาก็แสดงอาทิตตปริยยสูตรพันกันอีกสามรูป ได้บรรลุเป็นพระหลานด้วยนะออกจากนั้นโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมได้บริวารอีกสิบสองหนหุ่ก็คือแสนสองหมื่นได้บรรลุแสนหนึ่งหมื่นดูสิครับดูที่การเผยแผ่รวดเร็วมากปุ๊บ ป, ป, ปุ๊ตั้งหลักศาสนาได้โดยแป๊บเดียวแค่นั้นเองอันนี้คือความรวดเร็วนี่คือสติปัญญานี่ศักยภาพนี่คือความสามารถของพระพุทธเจ้านะแล้วก็พระหลานตระสาวกในยุคนั้นเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับเผยแผ่อย่างชนิดจะเป็นเหมือนไฟลามทุ่งเลยครับปุ๊บพอหลังจากพระเจ้าาพพิิมสรเป็น พระเจ้าปิณินนะครับวางจากราชกิจพระเจ้าพิมพ์สารประชุมอนาประชาราชแล้วก็สอนธรรมะขั้นพื้นฐานหลักทิฏ6กเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารสอนเลยพอสอนหลักทิฏหเบเสร็จปุ๊บพอมีพื้นฐานลานจริยธรยรมศีลธรรมขั้นพื้นฐานก็ส่งไปเฝ้าพระเจ้าที่ภูเขาคิชฌกูฏไปทีละห้าร้อยหอนะครับพระเจ้าก็อบรมต่อยอด แสดงทานนกถาศีรักคาถาสักคถาก า, กามัธย์เรกวคถาเนบขัมมานิสังสกถาจบลงด้วยจตุรยิยาเยสสีได้บรรลุเป็นพระอริยากาันคนที่มีอัธยาศัยเป็นนักบวชก็ออกบวชคนที่มีอัอธยาศัยเป็นฆราวาสก็ออกไปครองเรือนนี่เป็นอย่างขนาดนั้นนะมีการทํางานสืบทอดกันในลักษณะแบบนี้เร็วมากประชากรในราชครือนะครับ90บล้านนอกอีก90บล้านใช่ไหมครับสิบแปดโกด เนี่ยเราจะเห็นว่าเออร้อยแปดสิบล้านประชากรร้อยแปดสิบล้านเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์เป็นภรรยาครับดูศักยภาพออ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้ผมผมมองให้เห็นกว้างๆแล้วเราจะได้เข้าใจอย่างที่สาวถีแฟนโกศลเนี่ยแฟนโกศลเนี่ ย, น เ, นยเป็นแฟนใหญ่เฉพาะตัวสาวถีนะมีประชากรห้าสิบล้านห้าแสนนะครับเออไม่ไกลเจ็ดเจ็ดสิบล้านครับเจ็ดโกด ประชากรเจสบล้านแต่บรรลุปเป็นภ้าอริยนนระเนี่ยห้าสบล้านห้าแสนคนพระพุทธเจ้าเนี่ยจำรรษาอยู่ประมาณ10เชตวัน19แล้วก็ปุปพารามอีกหก็รวมเป็นย5สิบห้าใช่ไมครับดูทีเนี่ยถามว่าผ้าอริยะขนาดนั้นนี่ยังไม่นับว่าแคว้นวัชีเป็นยังไงแคว้นปาวาเป็นยังไงกุศินาราเป็นยังไงแล้วก็ อย่งางแฝงแถวกบิลพัฒสก่บบาเนี่ยอีกเยอะนั้นถ้าเราเราจะเห็นว่าประชากรที่บรรลุเป็นพระริยาในยุคนั้นเน่ยการทํางานของพระริยาเนี่ยทุกวินาทีคือการเผยแผ่ประกาศหลักการของพระศาสนาเนี่ถ้าเราอ่านที่ถ้าเราจะวิ่งเป็นนั่งอ่านว่าได้ปดิฎกกว่าจะสรุปประเด็นตรงนี้ได้ต้องใช้เวลานานไหมครับนานมากกว่าที่จะมองภาพชมพูทวีปออกแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลาเกือบครึ่งคนนะครับ เนี่ยนี่ผมมาสรุปให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นนั้นถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระเจ้าเราจะได้ชัดว่าพุทธศาสนาเนี่ยหลักการของพระเจ้าเนี่ยถึงบอกว่าเป็นหลักการที่ว่าเราท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้ต้องการอยากจะมาศึกษาเตรียมเป็นพระธรรมทูตก็คือเผยแผ่ใช่ไหมครับหลักการในการที่จะเผยแผ่พอจะมองเห็นไหมเออทีนี้ พอพูดถึงในเรื่องของปัญญาที่กาศัมมาสราวรริ์ยาเนีเร็วมากเห็นไหมท่านทํางา น, นยังรวดเร็วแล้วก็จบกิจของตนเองอ็นิพพานเลยสี่สิบห้าปีเนี่ย 45, สี่สิบห้าพรรษาแล้วก็ดูการทํางานของพระพุทธเจ้าเนี่ไม่หยุดหย่อนไม่มีนะโอ้โหวันนี้เหนื่อยแล้วเกินเพียไม่ออกไปแสดงธรรมไม่ไปโปรดสัตว์นี่ไม่มีแต่พวกเรามีไหมครับโอ้โหวันนี้ไม่ไหวแล้วไว้เหนื่อยนี่เป็นต้นนี่หลัการเป็นยี้ ทีนี้เอาเ ใ, นในคำสอนนะครับทศบารมีเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ในประธานมหาประธานาสูตรว่าโดยประวัติของพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่พระวิปสัสสีสิกีเวสภูกะ ก, กุสันท่าโกนาคมากัสปะและพระโคโดมเนี่ยเวล า, าเราไปสวดนะครับ วิปสัสสนามาธูจักขุมันตัสสะสิริลุมโตสิกิตสปินามาธุจักุมันตัสสะสิระพเราสวดบทตรงนี้เราก็มาอย่างไงถ้าเราไปดูในประธานสูตรมหาประธานสูตรอ๋อในพระสูตรเนี้ยท่านกล่าวถึงพระเจ้าเจ็ดพระองค์ท่านก็เลยมาร้อยกองสวดนะครับร้อยกองในการที่จะมาสวดสรรเสริญคุณพระเจ้าอย่านี้เป็นต้นงั้นตรงนั้นก็ประเด็นที่ต่อป ร, ประเด็นที่ถามไปก็คือว่าบรารมีที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญมา ในทุกอัตภาพเราจะหยิบบา ร, รมีข้อไหนให้มันเด่นถ้าเราเข้าใจเราสามารถที่จะอธิบายตรงนั้นให้เด่นขึ้นมาได้แล้วถ้าถามว่ามีคนเขาบอกว่าในพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยที่พระพระโพธิษัต์ท่านให้บุตรให้ภรรยาเนี่ยเขาโจมตีมากเลย เดี๋ยวนี้ยแม้ในเฟซก็ดีใน youtube ก็ดีเนี่ยเขาด่าเนี่ยเขาด่าว่าคนไม่รับผิดชอบลูกมีเนี่ยเออเราจะไปแก้แก้เขายัางไงเอาครับถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกไอคนที่จะไปให้ลูกเป็นทานให้ภรรยาเป็นทานเนี่ยถ้าให้ภรรยาที่แก่แล้วเงี่ยเพราะว่าก้อนกันน่ เราจะตอบเขาไงเาตอบไงน้าตอบ เ, เขาว่าไงตอบไงไม่เชื่อก็ไม่ต้องคุยกันยงเอ า, อาไหม <c oughs> เออเราจะตอบเขาว่าไงเอาแล้วกเขาไม่เชื่อแต่วันนี้ถ้าใครมีประเด็นปัญหาอะไรมาถามกันได้เลยนะเพราะในวันสุดท้ายนี้ครับมีประเด็นอะไร อันนี้ผมยกขึ้นมาเงี้ยว่าจริงๆถ้ามีคนบอกว่าเขาไม่เชื่อเราจะตอบว่าไงมีใครจะแสดงทัศนาตรงนี้ไหมครับมีไหม <c oughs> อ๋ อ, อจะตอบอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วตอบไงต่อบ <c oughs> แก้๋อแกนิฟอร์ แล้วจะมีใครแสดงความเห็นอีกไหมครับว่าไงอ๋อเป็นรู้ได้เฉพาะตนนะอ๋อเขาจะตอบแบบนี้นะแล้วมีไหมครับมีใครอยากจะแสดงอะไร เออถ้าเขามันมีจริงๆนะผมไปเห็นไงมีคนเอามาให้ผมดูปกติผมก็ไม่ค่อยชํานาญพวกเนี้ยเข้ามาให้มาดูก็เนี้ยมีคนคนหนึ่งแล้วเขาก็พูดเลยนะเป็นคาราวาสเขาก็บอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกแล้วก็อาการที่ไปให้บุตรให้ภรรยายพวกไม่รับผิดชอบมันจะเป็นบารมีได้ไงกําลังก็ไม่เชื่อและอย่างนึ่งไปทําให้ลูกลำบุญลาบากต่างต่างเนี่ลักภาพสังคมไทยตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นก็คือว่า ไม่รู้ข้อมูลไม่รู้แล้วขยันที่จะพูดจะวิจาร์เงยไอ้ตรงเนี้ยอันนี้น่าเป็นห่วงมากแต่ก็เราก็จะไปห้ามความคิดเขาไม่ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือเรามีมีหน้าที่ในการที่จะต้องแสวงหาความรู้และตอบเขาวิธีการก็คือว่างี้ถ้าเรามองดูพระเวสสันดรเนี่ยที่ท่านให้วิธีการของพระโพธิสัตว์เวลาท่าจะให้ให้าธาสให้บริวารให้ภรรยาหรือให้บุตรเนี่ยเป็นทานเนี่ยท่านจะสอบถาม ท่านจะสอบถามถาทาตคนนั้นบริวารคนนั้นบุตรหรือภรรยานั้นด้วยความให้เขาให้เขาเต็มใจด้วยจะไม่มีการบังคับในการให้ทานนีประการแรกนะครับจะไม่มีการบังคับและในขณะเดียวกันก็จะอธิบายให้ฟังว่าทาไมการเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องมีการให้บุตรเป็นทานให้ภรรยาเป็นทานเป็นต้นเพราะอะไรเพราะเป็นหนึ่งในมหาปริจาคะถ้าไม่ได้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นทานแล้ว จะไม่สามารถได้มาซึ่งสัพพัญญุตญาณคือการเป็นพระพุทธเจา้าทีนี้การเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ได้มาด้วยปัจจัยเดียวต้องมีปัจจัยแวดล้อมมากมายทําคนเดียวเนี่ยไม่ได้การที่จะสร้างสัมมาสัมโพุิธญาณคือพระสัพพัญุตญาหรือพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เนี่ยไม่ใช่แข่งคนคนเดียวทําได้ไม่ใช่ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมคนนั้นจะต้องมีการมาบาเพ็ญบารมีเพื่อเป็นภรรยามอ่มอมบุตร หรือเป็นอัคคาสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเป็นอาสีติมหาสาวกอัคควอกอัคคาสาวิกาเบื้องขวาเบื้องซ้ายพิเตอรเหล่านี้ก็จะต้องมีหลักพุทธบริษัททั้ง4ี่มาเป็นหลักในการที่จะมาช่วยกันในการที่จะสร้างเหตุปัจจัยเพื่อจะทำให้สัมมาสัมพุทญาณเกิดขึ้นฉะนั้นบุคคลที่เขาจะบำเพ็ญมาน่ะไม่ใช่มาแบบหนึ่งเหตุปัจจัยนะมันมีองค์คาพยพมหามหือมาขนาดใหญ่มันมีการคุยกันและมีการ ข้อมูลความรู้ต้องถึงแล้วก็มีการคุยกันมีการให้เหตุปัจจัยแล้วก็มีการสร้างศรัทธาว่าใครปรารถนาจะบำเพ็ญบารมีเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเช่นคนจะบำเพ็ญบารมีเป็นพระราชบิดาราชมะเป็นพระมานดาเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญบารมีมาแสนกับยังไงต้องบำเพ็ญยังไงตั้ง เ, เจตเจตจํานงยังไงถึงจะเป็นพ่อของพระโพธิสัตว์ได้อ่าเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญบารมีอย่างไรเป็นภรรยาจะต้องบำเพ็ญบารมีอย่างไรเป็นลูกต้องบำเพ็ญบารมีอย่างไร และบุคคลเหล่านี้เมื่อถึงคราวที่ท่านผู้นั้นบรรลุเป็นพระเจ้าแล้วเขาเก็บก็ <S <S าสามารถทําบุคคลเหล่านี้ให้พ้นจากกิเลสและกองทุกได้อย่างรวดเร็วมองออกไหมเขาไม่ได้เหนื่อยฟรีนะเขาไม่ได้เหนื่อยฟรีลําบากฟรีนะทั้งหมดเหล่านี้เขาทาเกื้อกูลเพื่อบุคคล อ, อื่นก็จริงอยู่แต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองก็พ้นจากกิเลสและกองทุกเรียบร้อยหมดแล้วให้สังเวยท่งเจดดูนะคนที่พระโพธิสัต์ท่านสละและบริจาคบุคคลเหล่านั้นปณิพานหมดแล้วไอ้คนมานั่งวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยยังติดอยู่ในกองทุกอยู่นี่แหละ มองเห็นหรือยังเนี่ยมันคนละประเด็นเนี่ยเขาไม่เข้าใจไงไอ้ความที่ไม่เข้าใจว่าคนที่เขาวิพาก์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นพระนางพิมพาใะอดีตชาติในปัจจุบันพระนางพิมพาก็ปรินิาพานแล้วราหุลใช่ไหมเนี่ยก็ปรินิาพานแล้วอุบลวันนาเทลิปใคต่างเหล่ า, านี้ที่เคยเป็นกันหาชาลีมาทั้งหลายเหล่านี้บุคคลเหล่านี้พากันพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ปรินิาพานหมดแล้วเหลือแต่คนวิพากวิจาร์ เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นี่ความไม่เข้าใจเป็นอย่างนี้เราก็ต้องชี้แจงให้เขาเกิดความเข้าใจนะว่าเออเพราะความไม่เข้าใจของเขาความโง่นี่แหละความไม่ฉลาดนี่แหละมันถึงเป็นเหตุเป็นปจัจจัยทําให้เขาต้องวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นและมองในด้านปัญญาทีนี้มาพูดถึงเรื่องปัจจุบันในเรื่องของพระเวสันดอนตอนที่ท่านให้กัรหาชาลีตอนนั้นกัรหาชาลีแอบอยู่ในสระใช่ไหมครับวิธีจะลงไปในสระก็ถอยหลังลงไป ท่านมองปุ๊บเดียวแค่ น, นั้นด้วยความท่านเป็นคนฉลาดมีปัญญาท่านรู้ทันทีและมีแต่รอยมีมีแต่รอยเท้าขึ้นไม่มีรอยเท้าลงและเวลารอยเท้าลงรอยเท้าขึ้นเนี่ยก็กดกดที่ไม่ได้จิกที่ปลายเท้าไปกดที่ที่ที่ ท, ที่ส้นเท้าก็รู้ทันทีว่านี้เป็นการถอยหลังลงแล้วก็ กันหาชาลีก็ใช้ใบบัวใบทั้งหลายไปหลบอยู่ที่ใบไม้มอยู่ในอยู่ในสระนั้นท่านก็เลยบอกว่าลูกเอ้ยขึ้นมาเธอะแล้วท่านก็อธิบายพรรณนาว่าสัพพัญญตญาณคือการเป็นพุทธเจ้านั้นน่ะมันต้องให้เหตุปัจจัยอะไรลูกเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสัมมาสัมพุทธญาณ น, นะฉะนั้นลูกบำเพ็ญบา ร, รมีมาที่มาเป็นลูกของพ่อก็ต้องการสร้างอัธยาศัยตรงนี้กระตุกเลยนะ กระตุกความรู้สึกที่เคยตั้งใจมาในอดีตชาติในหลายๆแสนชาติที่ผ่านมากระตุกความรู้สึกพอกระตุกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่เคยสร้างเหตุปัจจัยมาตรงเนี้ยความรู้สึกก็ขึ้นแล้วครับความรู้สึกขึ้นทันทีเหมือนพวกเราเนี่ยเวลาพูดเรื่องการบวชถ้าเรามีอัธยาศัยในการบวชมาใจมันอยากบวชนะครับยิ่งเห็นผ้าเหลืองก็อยากจะบวชเห็นสั ญ, ญลักษณ์ของนักบวชมันอยากบวชทันทีเพราะมีเหตุปัจจัยมาอย่างนี้เป็นตน้นนี่พ่ออาจาร์ท่านก็พูด พอพูดเบียเ็ตนั้นลูกก็ขึ้นมาจิตใจก็น้อมดันดีนี่นี่รักษณังนี้เป็นต้นและเวลาท่านให้กันหาชาลีแก่ชูชกไปเนี่ยท่านมีแผนไหมมีแผนก็คือว่าหลังจากให้ไปปุ๊บท่านกตีราคาว่าถ้าคนที่จะมาถ่ายกันหาชาลีต้องใช้ทรัพย์เท่าไหร่โอ้โหซับอย่างมากมายนั้นคนที่จะใช้ทรัพย์มาถ่ายถอนได้ก็ต้องระดับราชามารกษะก็คือพ่อของตัวเองเท่านั้นเห็นไหมการตีราคาขนาดนั้นก็คือว่าเป็นการส่ง เครื่องหมายให้รู้ว่าคนที่จะต้องมาซื้อหรือมาถ่ายลูกของตอนเองก็คือพ่อก็คือพระเจ้าแผ่นดินนั้นพระเจ้าไปดินก็มาถ่ายตัวไปจริงๆด้วยเห็นไหมแท้ที่จริงก็เป็นวิธีการส่งลูกกลับบ้านด้วยความปลอดภัยแต่ชานฉลาดก็คือสลับลบุตรสลบบุตรลูกหญิงลูกชายเป็นทานซะเลยแทนที่จะเอา้ากลับไปให้พ่อมารับไม่เป็นทานนะครับสลับแบบนี้นี่เขาเรียกความชานฉลาดด้วยปัญญาตัเองเห็นไหมว่าแม้ แม้ให้ให้บุตรเป็นทานให้ภรรยาเป็นทานคนที่ถูกคนที่ถูกสลาไปก็ต้องมีท่านใช้ปัญญาท่านในการคุ้มครองแล้วก็ได้รับความปลอดภัยอย่างแท้จริงด้วยเห็นไหมว่าท่านเรามองให้ดีเราก็จะเห็นโอ้โหเป็นความชานฉลาดในการให้ทานท่านไม่ใช่ให้ทานแบบแบบโง่โ ง, ง่ไม่ใช่และการให้ทานสังเกตตัวนะท่านจะไม่ให้ทานแก่พวกยักษ์พวกอะไรทั้งหลายเหลา่านี้เป็นต้นใช่ไหมมีอยู่ชาติหนึ่งตอนนั้นนะ่ะมีพระโพธิสัตว์อยู่องค์หนึ่งนะ มีพระทีเจ้าอยู่องค์หนึ่งท่านลืมกําหนดให้ลูกเป็นทานเนี่ยแต่คนมารับเนี่ยเป็นยักษ์ตอนนั้นน่ะท่านท่านขาดสติแต่ก็ให้จริงๆนะครับให้บุตรเนี่ยพอพอพอสละบุตรให้ไปพวกไอ้เจ้ายักษ์นั้นจับไปมันแปลงกายเป็นยักษ์ทันทีพอแปลงกายเป็นยักษ์เสร็จมันก็หักคอลูกต่อหน้าเลยครับเลือดกระเด็นติดเนี่ยกัดคอลูกต่อหน้าแล้วก็เลือดเต็มโพ บอกรายพระบริษัทแต่ท่านก็กําหนดอุเบกขาทันทีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอย่างนั้นก็มีอย่างนั้นก็มีโอกาสพลาดแต่ว่าท่านก็ไม่ยอมปล่อยให้จิตใจเสียนะครับอย่างนี้เป็นต้นมีนะไม่ใช่ไม่มีในในประวัติศาสตร์ในการบริจาคทานให้บุตรเป็นทานเปเตอร์เหล่าเนี้ยแต่ว่าท่านก็สามารถยิ่งใหญ่เป็นพุทธิย่าที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะมีพระวรกายออกจากภรเศียรโยโหมากมายเลยอันก็ไปตามดูอย่างนี้เป็นต้นมีใครจะถามอะไรไหมครับ เดี๋ยวผมพูดคนเดียวมีไหมครับไม่มีใช่ไหมไม่มีตอบเออในในเรื่องของการทีนี้การที่ระลึกถึงบารมีนะครับการระลึกถึงคุณข อ, ของพระพุทธเจ้าเนี่ย เช่นการที่เราระลึกถึงการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นเหล่าเนี้ยทีนี้การระลึกแล้วให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าในขณะที่เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในด้านของการบําเพ็ญทานศีลเนกปับมมะเป็นต้นเหล่าเนี้ยบุคคลที่ได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยผ่านพระพุทธเจ้ามา ได้รับพยากรจา่พรพุทธเจ้ามา24พระองค์ใช่ไหมในกลับที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นหลังจากนั้นพุทธเจ้าของเราก็ได้เจอผ่านพระพุทธเจ้ามามีพระตันหังกรเมธังกรสารนังก ร, า ร, างกรมาเริ่มตั้งแต่พระทีปังกรโกนธัญญะมังคราชุมมะนเป็นต้นเหล่าเนี้จนถึงกกูสันทะพุทธเจ้าจนถึงเนี่ยวัคคัสปาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตามลําดับ ทีนี้หลังจากผ่านพระเจ้ามาทั้งยี่สิี่พระองค์มีพระธีบังกรเป็นต้นเหล่านี้มาตลอดเสียสงขายายิ่งได้แสนหมากับหลังจากนั้นการที่ท่านได้รับพยากรเนี่ยที่ว่าสมบูรณ์ด้วยธรรมะแปดประการในความเป็นมนุษย์เป็นต้นเหล่านี้ยถามว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยหลังจากได้รับพยากรแล้วเนี่ย จะไม่ไปเกิดใช่ไหมวันก่อนที่ถามที่สมบูรณ์ด้วยองคุณทุกประการแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวในสังสารวัตหรือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตเนี่ยจะไม่ไปเกิดเป็นอภัพะบุคคลเนี่ยสิบแปดจพวกก็มีอะไรหนึ่งจะไม่เกิดในเวจีมหานรกไม่เกิดนะสองไม่เกิดในโรกรันติยานรกอเวจีกับโรกรันติยนรกต่างกันยังไง ใช่อเวจีเนี่ยร้อนตอนนี้พระเทวทัตอยู่คมไหนอยู่เวจีใครอยากอยู่ในเวจีก็ทํากลุ่มอนันตริยกรรมนี่นะใครอยากไปเกิดตรงนี้ถ้าไม่เชื่อก็ลองทำเลยเออถ้แปลกนะจะเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องเทวดาเนี่ยเริ่นลงอเวจีได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ทําอนันตริยกรรมแต่เป็นอเวจีที่ไม่ได้สูงสุด ไม่ได้ลึกสุดเหมือนพระเทวทัตนะครับที่ว่าสุพรมเทพระบุทใช่ไหมครับมีบริวารหนึ่งพันท่านอยู่ในดาวดึงเนี่ยเนี้บริวารหนึ่งพันเนี่ยห้าร้อยอยู่ข้างล่างไอห้าร้อยขึ้นไปบนต้นไม้ก็ไปเก็บดอกไม้อยู่กำลังเก็บดอกไม้เพลินเินเพลินเ พ, นเ พ, นเ พ, นเพินอยู่นั้นนะ่ะก็เกิดราคาเกิดความกำหนัดเกิดความเครียดอะไรขึ้นมา เทวดามีมันมีข้อน่าน่ากลัวอย่างก็คือบางครั้งเกิดความกําหนัดแล้วตายบางครั้งเกิดความโกรธแล้วตายอย่างนี้เป็นต้นคืออัตภาพของกลุ่มเทวดาเนี่ยเป็นอัตภาพที่บางมากร่างกายนี่นะบอบบางมากถ้าเกิดกิเลสหยาบๆขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่เนี่ยไฟคือราคาไฟคือโทสะมันจะเผาเอาก็เลยจุดติคือตายเดี๋ยวนะั้นเลยหายไปหมดเลยห้าร้อยสุพรหมเทพ บ, บุก็ มองขึ้นไปเอ๊ะบริวารหายไปหมดก็ตกใจเหลียวไปดูอีกทีโอ๊ยไปอยู่ในนรกแ ล, แล้วแล้วก็นึกถึงตนเองเดีเยวนี้พอนึกถึงตนเองก็โอ้โหตายแล้วตนเองเนี่ยอีกเจ็ดวันก็จะตายเหมือนกันแล้วคติก็จะไปนรกเหมือนกันเนี่ยก็เกิดความเร่าร้อนก็เลยหาใครเนาะที่เป็น ท, ที่พึ่งได้ก็เลยมาเฝ้าพระเจ้าสุภัมเทพบุตเนี่ยพร้อมด้วยบริวารแล้วก็มาเฝ้าพระเจ้าว่า ใครหนอที่จะดับทมมานในใจของตนเองได้ก็ น, นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมาเฝ้าพระุทธเจ้าเดี๋ยพระพุทธเจ้าพูดไงรู้ไหมเวลาคนทุกข์มหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเวลาคนเครียดคนทุกข์มหาพวกเราเราปลอบยอนยอมเขาว่างไงเราจะบอกยอมเขาว่างไงเคยไหมมียอมบอกกลุ่มแล้วทุกแล้วเครียดมาหาไหมครับเคยไหมแล้วเราบอกยอมเขาว่างไง แล้วบอกว่าไงเลยยอมยอมทุกเรื่องอะไรบอกแล้วถาม ว, ว่าอย่าว่าจะยอมทุกเลยอาตมาก็ทุกเหมือนกัน <c oughs> อย่างนี้หมดธาเลยเนี่ยพระเจ้าจะพูดยังไงรู้ไหมไม่ว่าจะนางปตจราฯมหาก็ดีหรือว่าสุพรหมเท พ, พบดหรือเท้าส ก, ก่าในส ก, ก่าปัญหาสูตรตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ ที่กรุงราชเครื่ออยู่ในถ้ำเท้าสากาก็มาเข้าเฝ้าเหมือนกันในบรรดากลุ่มบุคคลเหล่านี้จะมาเฝ้าพระเจ้าเนี่ยพะเมื่อมาปุ๊บเนี่ยพระเจ้าจะบอกว่าดูก่อนสุพรมเทพระบุษแต่ถาคตบำเพ็ญบารมีมายี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับก็เพื่อจะมาปลอบชโลมบุคคลเช่นเธอนี่แหละพอว่าได้เย็นอย่างนี้เชื่นใจหล่ะ ใช่ไหมเหมือนก็นบอกกับนางปต a จ a ลาหรือบอกใครก็แล้วแต่ที่ทุกทมนานัดมาทั้งหลายเวลาเจอพระเจ้าพระพระเจ้าจะพูดคําเนี้ที่ตถาคตบําเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวดก็เพื่อนี่แหละเพื่อจะมาดับทุกทมนานัดในใจของเราสัตว์นี่แหละใช่ไหมในสติปัฏฐานสี่มันจะมีคําว่าเอกายโนยังพิขเวมัคโค e ทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่พระบรมาศ า, าสดาดําเนินไปสัตตานางวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์เห็นไหมล่ะ โศกกาปริเทวนังสมรติกมายะเพื่อดับทุกโทมนัตท้องเหล่าสัตว์ญาณาศาสตร์ที่กมายะเพื่อบรรลุอริยมรรคนิพพานนาสสัสจิกริยายะเพื่อกระทำพานิพพานให้แจ้งเว็นต้นฉะนั้นเนี่ยการที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเขาเพื่อต้องการมาชี้ทางดําเนินทางปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากโสกกาปริเทวทุกโธมนัตสาวุปายาสนั้นเวลาสัตว์ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่างั้นเด้อมหาพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนจะสบายใจสุใจททันี แต่ถ้ายอมมาหาพวกเราเราจะบอกยอมว่าไงเราก็บอกว่ายอมยอมมาหาถูกทนแล้วเดี๋ยวอาตมาจะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเป็นหลักการในการนําพาให้ยอมนั้นประพฤติปฏิบัติยอมจะได้พ้นจากความโศกพ้นจากความร่าไรลําพันธ์พ้นจากความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจได้ด้วยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทร ง, ง, งทรงทั้งตลอดและบรรลุถึงฉะนั้นยอมมาถูกที่แล้วว่ากันบอกยมว่าอย่างนี้นะ ยอมเขจะชื่นใจทันทีไม่ใช่คําสอนของเราของอาตมานะแต่เป็นคำสอนพระเจ้าอาตมาไม่มีปัญญาในการที่จะดึงยมออกจากความทุกข์ความโศกความลําไรลําพันได้หรอกแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของอาตมาเนี่ยมีความสามารถฉะนั้นอาตมาจะคําสอนพระเจ้าเนี่ยดึงยอมออกจากกิเลสและกองทุกข์ออกจากความโศกความลําไรลําพันได้ยมมั่นใจเถอว่าไงมามาถูกที่แล้วยอมตั้งใจนั่งลงแล้วตั้งใจฟังนล้ยมนะเดี๋ยวบอกก็นึกถึงคําสอนพระเจ้าแล้วก็บอกให้ยมฟังเลยทําได้ไหมครับ ไม่ใช่โอ้โหยอมอย่าว่าแต่ยอมเลยอาตมาเครียดก้มจะตายอยู่เนี่ยดูที่เนี่ยสาลาก็ยังสร้างไม่เสร็จกุฏิก็ยังค้างเตย อ, อยู่เนี่ยเป็นหนี้เขาทวงเช้าทวงเย็นอาตมาเครียดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วโอ้โหตายแล้วเนี่ยใช่ไหมเลยว่าโอ้ตายแล้วยอมมาผิดหวังเลยกล่าวว่ามาหาพระนี่จะไม่เครียดแล้วไม่เครียดได้ไงดูที่เปิดไปข่าวหน้าไหนก็จะด่าเดพระ แล้วก็มีคลิปอะไรก็ไม่รู้พระอะไรก็ไปทำเยอะแยะหมดเดียวเไปจับพระองค์นั้นสึกบ้างองค์นี้สึกว่าอาตมาก็ยังหวาดเสียวตัวเองอยู่เนี่ยเเห็นยอมอาตมายังระแวงยมเลยจะมาด่าอาตมาหรือเปล่านี่ไปงันเลยตรงนี้นะก็คือฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยที่บอกว่า สุพรหมเทพบุตรเนี่ยจะทุกข์ทกมาเนี่ยแล้วมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมก็ได้บรรลุเนี่ยพอบรรลุเสร็จแล้วก็อริยมรรคอริยผลเนี่ยก็ตัดรอนบาปประกรรมที่จะทําให้ตนเองลงอบายก็ไม่ลงใช่ไหมครับอเหมือนใครเหมือนเท้าส ก, กัดในส ก, กัดปัญหาสูตรเนี่ยเคยเคยเคยศึกษาสูตรนี่ไหมครับ ไม่เคยใช่ไหมจะเล่าให้ฟังนิดนึงเอาไหมเล่าแบบสรุปนะไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดคืออย่างนี้เท้าสก่าเนี่ยหมดอายุไขคือเหลือเจ็ดวันจะหมดอายุไขก็เดือดร้อนใช่ไหมธอมมนัทในใจก็เกิดขึ้นแล้วแล้วรู้ด้วยนะตนเองตายแล้วจะตกนรกด้วยคือบรรดาคนที่รู้ตัวว่าจะตายเนี่ยก็คือคุ่มเทวดาที่มีบุญระดับเท้าสก่าเป็นต้นแม้มนุษย์ทุกวันเนี่ยถ้าหากใครเป็นคนมีบุญก็รู้นะ ใช่ไหมล่ะเช่นไปหาหมอในระดับที่มียารักษามีหมอเลยอยงดีเขาคำนวณได้เลยนะเป็นมะเร็งอยู่กี่วีกี่วันเนี่ยกี่เดือนเนี่ยนี่คือกลุ่มคนมีบุญนะที่รู้วันตายได้เนี่ยอาทาสกาเขมันกันเอาคนที่รู้ว่าจะอีกกี่วันจะตายเนี่ยก็คนมีบุญนะครับมันเตรียมตัวทันพอพูดเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงพรารูปหนึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลสง ตอนสมัยเมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้วทีนี้ก็มีพระนอนกันเป็นแถวเนี่ยทีนี้หมอมาติดป้ายอว่าเป็นโรคอะไรโรคอะไรแล้วหมอไปแขวนป้ายผิดทิศทางไหนไม่รู้ไปแขวนป้ายท่านว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโอ้โหแต่เนี้ยแต่ตอนนั้นท่านก็ไม่รู้ใช่ไหมก็นึกว่าเป็นจริงๆโอ้โหท่านคิดเครียดอยู่ประมาณเจ็ดวันท่านว่ากัน ทิ้มพอวันที่แปดเนี่ยหมอมาขอโทษบอกว่าไม่ใช่องค์นี้ท่านท่านก็นึกว่าหมอเนี่ยมาพูดปลอบใจท่านคือมันไปหมดแล้วในใจเนี่ยมันคิดว่าโหมึไม่รอดแล้วท่านไม่เคยไม่เคยโดนแบบนี้มั่งในชีวิตนะเคยมยไห่ว่างๆลงไปที่โรงพยาบาลสง่งเบผมผมไปดูโอ้แต่ละองค์เนี่ดูไม่ไหวบางองค์ขาก็ขาดหมดแล้ว เบาหวานบ้างตาบอดบ้างอะไรรู้สรารพัดหมดหาาหนั่โหนสรารพัดเนี่ยสารพัดเลยผมก็ไปเอาวิทยุธรรมะไปถวายแล้วก็ไปเยี่ยมไปอให้ท่านได้ฟังธรรมะ <c oughs> เพราะว่าคนใกล้ตายแล้วมันมันไม่มีที่พึ่มแล้วใช่ไหมละครับก็มีธรรมะนะั่นแหละ พวกเราเนี่ยปัจจุบันบางทีเราเขไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่ลองใกล้าตายขึ้นมาทันทีมันอยากฟังเลยเ อ, อแปลกจริงมนุษย์เราพอใ ก, กล้จะตายขึ้นมาทำทีทำท่าอยากศรัทธาพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นโอไม่เอาอย่าฟังอย่างอื่นอยู่เรื่อยแต่พอต่อไปมันเริ่มรู้แล้วโอ้โอตัอเองไปไม่รอดแล้วเนี่ยเอาแล้วหันฟังธรรมะ น, น, น, นี่เหมือนกันเท้าสกัดนี่เหมือนกันน่ะพอรู้ว่าใกล้จะตายแล้ววิ่งหาใครหาพระพุทธเจ้าทีนี้ มีวันหนึ่งก็ไปเฝ้าเฝ้าพระเจ้าไงพระเจ้าก็ไม่ยอมออกจากสมาบัตพิพระเจ้าก็เข้าสมาบัติอยู่ลองคิดดูเครียดไมั <ampoo> ้าเป็นเราเนี่ยไปไปเฝ้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่ออกจากสมาบัติก็ไปยืนคอยอยู่นั่นแหละก็ไปเจอเทพธิดาตนหนึ่งที่อยู่ ต, ต้นต้นไม้อยู่ใกล้ๆพระเจ้าคอยดูแลพระเจ้าคอยเฝ้าพระเจ้าโดยเทพธิดาตนนี้รอ ย, อยังไงก็ไม่ไม่ออกจากสมาบัติสัก ท, ทีรอยังไงก็ไม่ออกสักทีก็เลยบอกเทพธิดาบอกว่า ถ้าพระพุทธเจ้าออกจากสมาบัติให้ช่วยกาบระทูลรายงานพระพุทธเจ้าด้วยว่าเท้าสก่าจอมเทพพระเจ้าแดินอยากเราดึงเนี่ยพร้อมได้บริวารมาพบมาเข้าเฝ้าว่างั้นเถอะเทพธิดาตอนนั้นก็รับปากแล้วท่านก็กลับเพราลกาบไปเบียเสร็จท่านก็โอ้พระวันที่หนึ่งวันที่สองผ่านไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายครับหาจังหวะเฝ้าพุทธเจ้าไม่ได้สักทีตอนนั้นพุทธเจ้าก็ไปประทับอยู่ที่ถ้า เขาเรียกถ้ำช้างนาวอยู่ที่คิชกูฏอยู่ ท, ที่อยู่ที่ราชคลื่นี่แหละอยู่ถ้าบริเวณภูเขาหาลูกนี่นแหละทีนี้ท้าวสกะก็เริ่มวางแผนแล้วครั้งก่อนเราไปแค่นิดหน่อยอยากกันนั้นเลยต่อไปเราก็เอาประชากรของของสวรรค์สองชั้นเลยเพราะท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินสองประเทศใช่ไหมทั้งจาตุมมหาดยิกาเตาติงสาเนี่ยทั้งดตาดึงทั้งจาตุมเนี่ย ก็เลยประชุมประชากรทั้งหมดเลยในนียเอาประชากรมาทั้งหมดเลยเ็าเรียกว่าเกณฑ์ประชากรทั้งสองประเทศมาเลยและไม่แล้วยังวางแผนต่ออีกให้ปัญจสิกขาคนทันเทพระบุตรถือพินให้มาดีดพินกล่อมพระพุทธเจ้า <c> เ <oughs> รื่จากปัญจสิกขาคนทันไหมครับที่ถือพินสีเหลืองอ่ะเป็นเป็นนักดนตรีเทพตนนี้เป็นนักดนตรีให้มาดีดพิมพินกล่อม แล้วก็กล่าวพรรณนาบูชาพระพุทธเจ้าให้เพราะว่าปัญจสิกาคนทันเนี่ยคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เคยดีดพินถวายเป็นผู้ทธบูชาพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เลยคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าก็เลยให้คนคุ้นเคยเนี่ยเป็นเป็นคนนำทางไว้ก่อนปัญจาสิกาคนทันก็เลยนำหน้ามาแล้วก็มาดีดพินแล้วก็กล่าวพรรณนาการมาคุณกับ พุทธคุณลองไปดูในสก a ปัญหาสูตรเนีเป็นพระสูตรที่แปลกมากนะเป็นการพารณาคุณของกามคืออย่างนี้ประวัติเป็นมาอย่างนี้นะครับปัญนจักริขาคนทันเนี่ยหลงรักนางสุริยวัชสาซึ่งเป็นลูกสาวของพระเจ้าของของเทพติมพ ร, รุหลงรักมานานแล้วแต่ผู้หญิงไม่รักผู้หญิงไปรักผู้เทพบุตรตนอื่นตนเองก็เลยผิดหวังพอผิดหวังก็เลยเขียนเพลงขึ้นมา เขียนพารณนาความรักที่ตนเองมีต่อนางสุริยวัชสาเนี่ยท่านก็เลยพลารนาปัญจเสขาคนท่านก็มาดีดพินด้วยแล้วก็มาพรรนาเป็นที่จริงเป็นคาถาเป็นคําร้องนะเป็นเพลงนั่นเองมาร้องเพลงถวายพระเจ้าบอกว่าขอนอบน้อมแด่ พ, พระเจ้าเวนต้นเหล่าเนี้ยข้าพเจ้าเนี่ยมีนามว่าปัญจศิขาคนท่านเทพบระโข้าพเจ้าหลงรักนางสุริยวัชสา ซึ่งเป็นทิดาของเทพธิดาของเทพของของเทวดาชื่อติมพโรเนี่ยบอกว่าหลงรักมากถ้าบอกว่าในชาตินี้ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยตนเองนี่นคิดถึงนางสุริยวัชรส า, าไม่เป็นอันกินนนอนเลยเหมือนพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายคิดถึงพระนิพพานเช่นนั้ น, น <c oughs> <c oughs> เออพรนากามาคุณกับกับ กับพุทธคุนืบอกว่านางสุริยวัชสาเนี่ยมีขากรองามมีถันกรองามมีใบหน้ากรงดงามอาวัยวะทุกสัส่วนงดงามมากว่า ง, งั้นเธอตอนเองเนี่ยจิตใจก็อะไรอาวรนคิดถึงนางสุริยวัชสาเนี่ยไม่เป็นอันกินอันอนในชาติเนี่ยถ้าไม่ได้นางสุริยวัชสามาเชยชมเนี่ยชีวิตก็คงจะเป็นอยู่ไม่ได้ว่า ง, งั้นเธอคิดถึงอยู่ ทั้งวันทั้งคืนก็มีแต่คิดครั่มครวญถึงนางสเสดวะเจษสาแม้ฉันใด้เหมือนใครเหมือนพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายในแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยใจก็น้อมถึงพระนิพพานอย่างนั้นแอ้พวกเราไอ้พวกเราลองคิดดูที่เราระหว่างกรรมคิดถึงพระนิพพานกับคิดถึงก ร, รมคุณเราคิดถึงอะไรมากกว่ากันงั้นพวกเราก็ไม่ต่างอะไรกับปัญจสิกขาคนทันนะเนี่ยเออในในในเรื่องเนี้ย พอปัญจาสิกขาคนทันพารนายาวมากในสูตรนี้ท่านไปอ่านกันเองก็แล้วกันนะพอพารนาจบปุ๊บพระพุทธเจ้าก็สาธุบอกแหมบอกว่าไพเราะมากคือกล่าวได้ไพเราะมากกล่าวได้ถูกต้องมากเหตุผลคือปัญจาสิกขาคนทันเนี่ยเป็นตัวแทนของสัตว์โลกที่หมกมุ่นในกามเข้าใจยังคือคนที่หมกมุ่นในกามวันหนึ่งวันหนึ่งเขาจะเขาจะพูดเรื่องอะไรเขาจะคิดเรื่องอะไร ก็คิดเรื่องกามใช่ไหมเหมือนคนทั่วๆไปเนี่ยโอ้โหบ้านก็ยังสร้างไม่บ้านก็สวยไหมคิดถึงโลกคิดถึงบุตรคิดถึงภรรยาคิดถึงสามีคิดถึงทรัพย์คิดขิงเกียรติยศชื่อเสียงวันหนึ่งวันหนึ่งใจก็น้อมแต่ในเรื่องเนี้ยพวกเราเป็นไหมครับเห็นไหมว่าเราเคยคิดไหมว่าเราจะต้องบรรลุนิพพานวันนี้ให้ได้บรรลุนิพพานวันนี้ให้ได้เคยคิดอย่างนี้ตลอดไหมคิดถึงพุทธคนด้วยก็น้อมว่าเราจะต้องบรรลุให้ได้ เอาผ่านไปแล้วไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะบรรลุให้ได้วันหนึ่งวันหนึ่งเรามีจิตใจเจดจ่อเหมือนคนที่เขาไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาคิดตลอดไหมเขาจะต้องเรียนให้จบใช่ไหมแล้วเวลาเราบวชก็มาเราคิดไหมว่าเราจะบรรลุพระนิพพานคิดไหมครับคิดแบบรุนแรงหรือคิดแบบเล่นๆเนี่ยปัญญาสิขาคนทันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรตาหนินะ พระเจ้าจึงบอกว่าโอ้หดีว่างั้นจะเออร้องได้ดีมากคือร้องถูกต้องนั่นแหละบรรดา บ, บุคคลที่หมกมุ่นในกาลมคุณทั้งหลายาก็กำพลนาการมคุณกันจะมีอะไรเราจะไหมเราทุกวันนี้จริงๆพวกเรานักบวช ต, ต, ต้องต้องต้องพละนาพุทธคุณนะครับต้องพละนาคุณของพระนิพพานนั้นถึงจะถูกต้องใช่ไหมเวลาคุยเรื่องอะไรก็บอกโอ้นิพพานสุดยอดการเกิดเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ การพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นต้นก็เป็นทุกข์ฉะนั้นชีวิตเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไม่มีอะไรมีแต่ของไม่สะอาดว่ากันนีการดับรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เป็นนิพพานเป็นความสุขเป็นบรมสุขวันๆพูดแค่นี้ได้ไหมเจอหน้ายอมก็ว่ายอ ม, ายอมตาก็เป็นที่ไหลออกของขี้ตาหูก็เป็นที่ไหลออกของขี้หูจมูกก็ไหลเป็นที่ไหลออกของน้ํำมูกปากก็เป็นที่ไหลออกของเสเลดและน้ําลาย ทวานหนักก็เป็นที่ไหลออกของอุจจาระทวานเบาก็เป็นที่ไหลออกของปัสสาวะในกัลยากายลรูคุมขนทั้งหมดก็ไหลออกของเหงื่อใครมีแต่ของไม่สะอาดโอ้เห็นยอมทีไรนี้อตาตมายอยากจะอ้วกเลยไงกล้าพูดถึงยอม <laughs> กล้าคุยกับยอมอย่างนี้ไหมสู้นิพพานไม่ได้ดอกยมนิพพานนี่ดับวัตถุทุกหมดเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมามาเจอของไม่สะอาดแบบนี้ฮะ <laughs> ได้ไหมพูดอย่างนี้ได้ไหมครับเอาเรื่องจริงไหมอ่าทำไมตัวกลัวคนที่เ็าอยากให้เราฉันก็มีเดี๋ยวอย่างนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเราจะว่ายัางไงยอมก็ไม่ไมาเกี่ยวข้องกับเราอยู่แล้วใช่ไมแล้มีอาหารกินอยู่แล้วเดี๋ยวให้ออกจากที่ตรงนี้ค่อยพูดใหม่ยอมที่อาจมาพูดมามสามสี่เดือนหกเดือนเนี่ยมาพูดผิดไปนะ <c oughs> อันนี้พูดใหม่เนี <c> ่ย <oughs> ปัญจสิกขาคนทันเนี่ยก็พัลน า, าแบบเนี้ยพุทธคุณกับการมคุณแล้วก็สนทนาพระเจ้าจนเพลินตอนนั้นวันที่เจ็ดแล้วเวลาจะหมดอยู่แล้วเข้าใจไหมเท้าส ก, ก, ก่าก็หือขัดเครื่องนะแล้วส่งให้เป็นตัวแทนไปไปบอกพระเจ้าว่าเท้าส ก, ก่ามาเฝ้าก็ไม่ยอมคุยเรื่องของเราสักทีปัญจสิกขาคนทันก็มัวแต่คุยเรื่องปัญหาชีวิตของตอนเองอยู่นี่แหละ ก็เลยไปส ก, กิดบอกว่านี่ทําไมไม่บอกพระพุทธเจ้าประ จ, จ่าศิขาก็เก่งใจใช่ไหมก็เลยบอกพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทา้าส ก, ก่าพร้อมได้บริวารมาขอขาเฝ้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตโอ้ยข้ามาเฝ้าท้ า, ทาส ก, ก่าก็น้อยใจพอเข้าไปก็บอกว่าเมื่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะมีอยู่ข้างหนึ่งข้าพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ในสมาบัติข้าพระองคก็ไปรออยู่ทั้งนานพระองค์ก็ไม่ออกจากสมาบัติสัทนนี พระองค์ก็เลยบอกกับเทพธิดาตนหนึ่งก่อนจะกลับที่เทวสถานเนี่ยไม่ทราบว่าเทพทิดาตนนั้นได้บอกกับพระพุทธเจ้าหรือไม่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าในวันที่มหาบาพิษมาเนี่ยเสียงบุตรดุมล้อดุมล้อกับเพลาของล้อเนี่ยมันกระทบกันอาตมาออกจากสมาบัติแล้ว <c oughs> คือพระพุทธเจ้าออกจากสมาบัติแล้วแต่ว่าแต่ว่าท้าวสกา่ากลับไปก่อนท้าวสกา่าก็บอกโหก็เลย เ้ามาฟ า, าวภริยาก็เลยถามปัญหา14ข้อนะครับถามปัญหา14ข้ อ, อสักการปัญหาสูตรก็คือถามปัญหา14ข้อถามถามตั้งแต่เรื่องเวทนาไปต้นเหล่านี้นะถามอย่างนี้ถามบอกว่ามนุษย์เทวดาหน้าครุฑคนทันนะมนุษย์เทวดาหน้าครุฑคนทันอันนี้ถามปัญหาว่า ทั้งๆ ท, ที่มนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีนาคก็ดีครุตก็ดีคนทันก็ดีเหล่านี้ยต่างก็ปรารถนาอยากจะสมัครสมานสามัคคีกันอยากให้คนรักกันปลองดองกันสามัคคีกันเอื้ออาทรกันแต่อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรดามนุษย์เหล่านั้นไม่เคยประสบความสําเร็จหรือสมหวังเลยทั้งๆมีใจปรารถนาอยากจะสามัคคีกันรักกันปลองดองกันนะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะ แต่อะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจัยทําให้มนุษย์เนี่ยรักกันไม่ได้เทวดาหน้าคตคนทันไปโดนรักกันไม่ได้ปองดองกันไม่ได้สามัคคีกันไม่ได้อะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปจัจัยนี่ข้อแรกถามถามพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเหตุที่มนุษย์เทวดาหน้าคตคนทันเนี่ยไม่สามารถรักกันได้สามัคคีกันได้เนี่ยพอใจกันได้ปองดองกลมกลืนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้เพราะอะไรรูไ้ไมหนึ่งเพราะริษยาสองเพราะความตนีอกิเลสสองตัวนี่แหละอิจฉา และมัชชริยะอิสาตัวเนี้ยอิสาตัวเนี้ยเป็นภาษาไทยเราเรียกฤติยาอยู่ในตระกูลกิเลสกลุ่มไหนรู้ไหมครับรติยาเนี่ยโทสะมัชชริยะนี่อยู่ในกิเลสกลุ่มไหนโลภะโทสะหรือโมอหะก็อยู่ในโทสะเหมือนกันเอ้ยไหมฤริษยาและตนีเนี่ย ให้สองตัวเนี่ยอดูความตะนีก่อนหวงไอ้ตะนีเนี่ยเอานัก บ, บวชเลยนะครับพวกเรามีไหมมีทะหนีไหมมีมัจฉริยะไหมหนึ่งตะนีทินตะนีที่อยู่เขาเรียกอาวาสมัจฉริยะตะนีทินตะหนีที่อยู่พวกเราเป็นไหมครับอาวาสตะหนีไหมที่อยู่ตะหนีไหมในกุฏิที่เรานอน อ, นอยู่อ่ะถ้ามีคนมาขอให้ไหม โอ้ oh, ขนาดนั้นเลยเลยโอ้ oh. คนที่ตัดมัชชริยะได้คือพระโสะดาบันนะครับถ้าตัดได้เด็ดขาดนยะแต่เราสามารถที่จะละได้นะเนี่ยทีนี้ตนีทินตนีที่อยู่ตนีอาวาสบางทีก็ตนีตนีหมู่บ้านตำบลอําเภอจังหวัดภาคและประเทศบางคนตนีใจ่ะไหมอันเดียวกันนั่นแหละแนะ่ทินเนี่ยสอง ลาภามาัชริยะตันี่อะไรตันี่ผลประโยชน์ตันีมไหมครับพอไปบินธบาตแล้วมันได้เยอะอยากให้คนอื่นไปบินไหมโอ้โหริงเออเวลามียอมจะมาถวายของดีๆเราเนึกถึงคนอื่นเลยั้มอยากให้คนอื่นได้มากกว่าตนเอง เห็นหมเี่ยนี่ก็ผลประโยชน์ใช่ไหมครับส่วนกุลามัฉริยะเนตณีตะกูลอุปถากพอมียอมคนไหนมาศรัทธาเราแล้วเราอยากให้เขาไปศรัทธาคนอื่นไหมเนี่ยลักษณะนี้ก็ตณีตะกูลอุปถากแล้วก็วันณมัฉริยะตณีสีผิวคำว่าสีผิวตัวนี้ก็คือว่าเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ย เสียงชมโอ้โหเราทำแทบตายไม่ชมเราไปชมคนอื่นเนี่ยโเครียดกินเนี่ยนี่ใ น, น, นักณะนนี้แล้วก็ธรรมะมัชริยะตณีผลิตผลของปัญญาคิดสูตรคิดอะไรได้มาแล้วไม่อยากให้คนรู้รีบจดลิขสิทธิ์ <c oughs> นี่ลักษณะอย่างนี้แหละนี่เป็นเหตุการขัดแย้งกันนะเนี่ยเนี่ยเหตุเนี่ยมนุษย์เพราะมีตณีนี่แหละตณีห้าอย่างแล้วก็จะมีเรสยา เห็นคนอื่นได้ดีแล้วมันทนไม่ได้พุทธยาก็เลยบอกว่าเนี่ยมนุษย์เนี่ยน่าคดคนทานทั้งหลายไปเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอหลังจากท้าวสก่าถามปัญหาครบแล้วพุทธยาก็ตอบพอตอบเสร็จปุ๊บท้าวสก่าก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันปุ๊บทันทีเลยพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นปุ๊บทันทีเนี่ยอายุไขหมดทันทีเลยครับตอนนั้นน่ยท้าวสก่าก็ตายทันทีเลยตอนนั้นเนี่ย พอตายปุ๊บก็เกิดใหม่ทันทีแต่ใจท่านผูกอย่างเดิมก็ใจใช่ไหมนะก็ไม่มีใครรู้มีอยู่สองคนหนึ่งพทธเจ้ารู้กับเท้าสก่ารู้พอตายเสร็จปุ๊บก็เกิดเป็นเท้าสก่าใหม่ตายต่อหน้าพระเจ้าอ่ะแล้วเกิดต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยแหละเป็นโอปปาติกะโตทันทีเลยในขณ ะ, ะนะนั้นเะนี่ยนะเนี่ยโตทันทีนี่เขาเรียกว่าเกิดแล้ ว, แ ล, ว, แ, ล ว, แ, ลวแล้วโตทันทีเลย ตายแล้วตายปุ๊บแล้วอุบัติเกิดขึ้นนันดีเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นท้าวสกะเห็นไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่ช่วยท้าวสกะตายต้องตกนรกแต่พอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนปุ๊บก็เลยได้เป็นท้าวสกะดังเดิมนั้นท้าวสกะองค์ปัจจุบันเนี่ยที่อยู่เป็นพระเจ้าไผดินอยู่ในชั้นดาวดึงที่ปกครองทั้งดาวดึงทั้งจาตุมเนี่ยนั่นคือ เป็นพระสดาบันเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นบุุรชนแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ท่านยังมีอายุอยู่ถ้าปราถนาอยากจะเจอท่านก็ตายนะครับแล้วไปเกิดในชั้นชั <c oughs> <c oughs> ้นดาวดึงแล้วก็จะไปเจอท่านแล้วก็เรามีโอกาสไปฟังธรรมจากท่านได้เพราะตอนนี้ท่านเป็นพระสสดาบานันใช่ไหมครับอะไรนะทะ า, มะ า, าทไมเลย ทำไมเลยอ๋อก็ท่านในจาตุมมหาราชิกาก็จะมีเท้าเจ้เท้าจตัวโลกบาลใช่ไหมก็ยังเป็นลูกน้องเท้าสก่ายทีหนึ่งดูแลอยู่ถ้าดาวตาวติงสากเท้าสก่าก็ไล่ไปตามลนดับนะครับก็มีมีพระเจ้าเป็นดินทุกชั้นมีพระเจ้ามีคนปกครองทุกชั้นใครสวรรค์ใช่ไมแต่ละชั้น ก็มีบุคคลปกครองอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างองค์องเดียวกันองค์เดียวกันโดยมากจะกล่าวไว้เยอะเพราะว่าโดยมากจะมาเกี่ยวข้องในพุทธศาสนาค่อนข้างมากทุกชั้นจะมีหมดนะในายามาดูสิตานิมารดีปารณิมิมสวัสวสดีท่านในปารณิมก็นี่ไงก็มีวัสดีมานเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะไม่เป็นมานแล้ว เพราะว่าได้ถูกพระอุปคุตจัดการใช่ไหมเรียบร้อยเลยถอนพยศเลยตอนนี้แต่ยังมีอื่นอื่นอีกเยอะเนี่ยเผมเล่าเลยมาเตลดิดมาเล่าในเรื่องนี้ไปเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวต่อไปนะว่าพูดถึงในเรื่องของการบำเพ็ญบารมีของพุทธเจ้าว่วาไม่เกิดเป็นนิชามัตันหิกระเรต ไม่เกิดเป็นขุปาปาาเปดไม่เกิดเป็นกาลิกชันกาศูนไม่เกิดในทุกติแต่ถ้าไปเกิดในทุกตินัจะไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆล็กเล็กกว่านกกระจอกนกกระจาบเนี่ยไม่เกิดแล้วก็ไม่เกิดในมนุษย์ที่เป็นคนบ้าใบบอดหนวกมาแต่กําเนิดคนหูหนวกคนเป็นใบไม่เป็นสตรีไม่เป็นอุปโตพยัญชนะกาคือสองเพศและไม่เป็นกระเทยนะ คนพู้เที่ยงแท้ต่อพรดิญญจะไม่มีจิตผูกพันในสิ่งใดๆพ้นจากอนันต์เดกรรมทั้งห้าเป็นผู้มีโคจระอันสะอาดทั้งปวงก็คือไม่ซ่องเสพมิจฉาทิฏฐิเชื่อในกรรมและผลของการกระทําเป็นต้นเมื่ออยู่ในสวรรค์ทั้งหลายก็ไม่เกิดเป็นอสัญญีสัตว์ในอสัญญีสัตว์ทําไมไม่เกิดอสัญญาสัตว์พรมเนี่ยสัตว์ที่ไปเกิดในอสัญญาสัตว์พรมเนี่ยจเจริญพวกกลุ่มสัญญาวิราคาภาวนาใช่ไหมครับ ได้ได้จตุทชานชานที่4แต่กลุ่มพวกนี้เขาเขาเบื่อนมามธรรมเขาบอกที่คนเรามาทุกมาเครียดมากุ้มกันทั้งหลายก็เพราะมีความคิดนี่แหละเขาก็เลยเจริญสัญญาวิราคาภาวนาคําว่าเจริญสัญญาวิราคาภาวนาก็คือคมความยินดีเพลิดเพลินทั้งหลายในในในสัญญาเนี่ยในในในมามธรรมพอประสบความสําเร็จปุ๊บ พอตายไปแล้วเนี่ยก็เลยมีแต่รูปธรรมอย่างเดียวเดีเนี้อายุห้500าร้อยมหากับในห้าร้อยมหากรบเนี่ยเขาไม่สามารถนามธรรมาไม่มีก็มีแต่รูปธรรมอย่างเดียวเพราะหมดกําลังกรรมตัวเนี้ยกาลังกรรมกําลังสมาบัติตรงเนี้ยนามธรรมาก็เกิดขึ้นมาใหม่เขาเป็นสําคัญตัวเป็นนิพพานยนันพระบริ ษ, ษัทจะไม่เกิดเป็นกลบ น, นี้หรือในเนวในรูปประพรมก็ไม่ไปเกิดยี้เป็นต้นเนี่ยต้องต้องต้องเข้าใจงี้ด้วยเนาะเหตุที่ ไปเกิดในสวรรค์ฉันสุดทาวาดในสุดทาวาดก็ไม่ไปเกิดเพราะว่าในสุดทาวาดนั้นมีเฉพาะผ้านาคาเท่านั้นนี่เป็นต้นนะเนี่ยนี่เหตุผลที่พระพุทธศัตว์ไม่ไม่ไปเกิดทีนี้ในพระชาติที่ไปบำเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยดูตัวอย่างก่อนว่าในอัตภาพที่บำเพ็ญทานบา ร, รมีเช่นในอิติในอิติดาบทเนี่ย หรือในการที่เป็นพระราชานามว่าทนัญชยะในการที่เป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะมหาคอวินทะเป็นต้นเหล่าเนี้ยเ อ, อเราได้รู้ประวัติตอนที่ท่านเกิดในเอ็กนายลงไปดูท่านบอยเขาถ้าท่านบอยมาถ้าท่านมาหลายองค์ให้ท่านหาที่พักเองนะที่พักเราไม่พอเอ อ, เ อ, อนี่ยน่ะท่านมากี่องค์ โ อ, อง่งเดียวใช่ไหมถ้าองเดียวไม่เป็นไรบอกให้ท่านด้านหาที่พักแถวนั้นครับวัดีมีพระจะมาหาท่านจะไปพักด้วยคือเดี๋ยวเล่าประวัติตอนที่ท่านบําเพ็ญบารมีตอนเป็นพระโพธิสัตว์ตอนเป็นพระเจ้าหมหาสุทัศนะใครเคยศึกษาในหมหาสุทัศนะสูตรไหมครับเคยไหมครับ เคยผ่านเล็กน้อยใช่ไหวอเราสรุปประเด็นให้ฟังคืออย่างนี้พระพริษัทเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระเจ้าหมหาสุทัศนะก่อนหน้านั้นนะท่านเป็นอุบาสกคนหนึ่งซึ่งมีทรัพย์แต่ก็ไม่มากทีนี้ตอนนั้นก็คือท่านไปไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งท่านอยู่ในป่านะครับเป็นประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านก็เกิดศรัทธา พอเกิดศรัทธาขึ้นมาท่านก็เลยไปสร้างบรรณาศาลาที่ทําด้วยไม้ไผ่นะครับทั้งเป็นกุฏิที่ทําด้วยไม้ไผ่แล้วก็สร้างบรรณาศาลาแล้วก็ทําที่จงกลมท่านก็ขุดสระถวายปลูกต้นตาลอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ถวายพวกอัฐบริขารแค่พระรูปเดียวเนี่ยทั้งบาททั้งจีวรทั้งเครื่องอัฐบริขารทั้งหลายท่านก็ดูแลพระภิกษุรูปนี้ตลอด จนพระรูปนี้ก็ประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านก็ดูแลอย่างนี้ตลอดมาเลยนะครับดูแลเรื่องอาหารการบริโภคดูแลเรื่องที่อยู่เออยาเอยอาหารเลยเปเนต้อนอะไรเนี่ยทำที่จงกลมถวายเปเตต้อนอะไรเนี้ยในหลังจากนั้นพระสุรูปนี้ก็ได้บรบรลุแล้วก็นิพพานไปจากกุศลที่ท่านทำตรงเนี้ยเนี่ยแค่แค่สร้างบรรณาศาลามุงจากเนี่ยเป็นต้นหล่าเนี่ยแล้วก็สร้างกฏิเนี่ย ต่อมาท่านมาเกิดมาเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะปกครองเมืองกุศินาราในปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่ากุสาวดีมีกุสาวดีเป็นเมืองหลวงเนี่ยท่านได้ปราสาทนะท่านมีปราสาทในเมืองนี้อ uh, ู้สร้างยังใหญ่โตมากจากการที่สร้างบรรณาศาลาถวายเนี่ยท่านได้ปราสาทแปดหมื่นสีพัปราสาท เนี่ยจากประศาสตร์เดียวเนี่ยนะเนี่ยดูทีน่ะกำลังกุศลนี่ยแล้วก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองชมพูทวีทั้งหมดในยุคนั้น <c oughs> มีเมืองขึ้นแปดหมืนสี่พันเมืองดูสิแล้วก็มีรถแปดหมื่นสี่พันคันยังละแปดหมืนสี่พันหมดเลยนะมีช้างแปดหมืนสี่พันเชือก ม้าแปดหมื่นสี่พันตัวนางสนมแปดหมื่นสี่พันนางมีมีอย่างละ 8, 40, แปดหมื่นสี่พันแปลกมากเพราะว่าของที่ท่านทำเนี่ยถวายเนี่ยแล้วก็มีอาหารวันละแปดหมื่นสี่พันสรับผ้าวันละแปดหมื่นสี่พันโกดพรับนางสนมแปดหมื่นสี่ันนางนี่ใช้ไหวไหมครับไหวไม่ไหว ไหวไหมนี่ขนาดนั้นเลยนะเออเนี่ยก็จะได้เข้าใจว่าโอ้เนี่ยกําลังกุศลทีนี้มีอยู่วันใช่ไหมครับท่านก็ให้ทานตลอดประชาชนในเมืองนั้นไม่ต้องทํามาหากินอะไรอาศัยบุญของพระโพธิสัตว์อาศัยบุญของพระเยสวดินเนี่ยท่านเลี้ยงดูแลมาอย่างนั้นตลอดเนี่ยทีนี้มีอยู่วัน หลังจากที่ว่าบารมีท่านเริ่มเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านก็เริ่มเบื่อเบื่อของเล่นเนี่ยเบื่อปราสาทกำแพงเนี่ยทำดึกสูงระดับเจดศอกประดับด้วยแก้วประดับด้วยอั ญ, ญมณีประดับด้วยเครื่องประดับนานานประการมีอยู่วันหนึ่งท่านยืนอยู่บนปราสาทท่านก็มองลงมาเห็นท่านก็รู้สึกว่าเห็นตนเองเหมือนกับเด็กเล่นฝุ่นคําว่าเด็กเล่นฝุ่นก็หมายความว่าเนี่ยมันเหมือนเด็กๆ ที่เป็นมัวสร้างนุ่นสร้างนี้อย่างเห็นยไม่นี่เรามาเนี่ยก็สร้างไปที่เนี่ยสร้างนุ่นสร้างนี้สร้างกุฏิบ้างสร้างเจดีสร้างอะไรทั้งเชื่อไหมว่าเดี๋ยวก็พังหมดตอสร้างแน่นหนาขนาดไหนเราไปดูอินเดียเราก็จะเห็นพระเจ้าโศกเนี่ยเสาโศกแปดหมื่นสี่พันใไหมครับเสาต้นคนเจอจริงๆประมาณหกสิบต้นเนี้ยนอกนั้นหายไปไหนโดนทุบพังหมด ว, ด 8, 000, วด 8, 000, ัดแปดหมืสี่พันวัตเจดี์แปดหมื่นสี่พันเจดีเป็นต้นเหล่านี้ยแล้วหายไปไหนใช่ไหมขุดไปก็เหลืออยู่ใต้ดินก็พังหมดแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยกรุงกระเบราพาสหายไปไหนกรุงราชครือหายไปไหนหรือว่าฟ้านโกสนหายไปไหนฟานวัชีไปดูที่เนี่ยมีแต่ซากปรักหักพังทั้งนั้นเราไปอินเดียกุศิน德 า, าทั้งหลายเหล่านี้ยแต่ก่อนเคยเจริญรุ่งเรืองหายไปไหนพระเจ้าตรงเนี้ยท่านก็ชี้ ท่านเห็นความเสื่อมตรงเนี้ยที่ท่านอุทานออกมาว่าความไม่เที่ยงเนี่ยนะเข้านะเข้าท่านก็เลยบอกว่าพอกันทีเรื่องกามวิตกการคิดในเรื่องกามที่จะสร้างกามมาคุณทั้งหลายมันใหญ่โตขนาดไหนก็พังหมดพอกันทีพยาบาทวิตกความเครียดความวิตกกังวลพอกันทีวิหิงสาวิตกความคิดในการที่จะเบียดเบียนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นพอท่านคิดอย่างนี้เบียดเสร็จปุ๊บท่านก็เดินเข้าสู่ธรรมปราราน า, าแล้วก็บอกว่า ให้คนทําอาหารไปให้นอกนั้นอย่ากให้ใครเข้าไปหาแล้วท่านก็อยู่อย่างนั้นเข้าสมาบัติฝึกในการเจริญสามารถทําสมาบัติให้เกิดขึ้นได้แล้วท่านก็เป็นอยู่ด้วยอาหารวันละมื้อละมื้ออย่างนั้นน่ยแล้วก็ปล่อยให้นางนางแก้วก็คือว่าพระมเหสีพร้อมด้วยปริญายกแก้วคือลูกชายคนโตบริหารราชกิจอยู่อย่างนั้นตลอดตั้งแปดหมืนสี่พันกว่าปีนะจนมาถึงวันหนึ่ง ลูกชายแล้วก็พระมเหสีนะ่ะคิดถึงคิดถึงพระเจ้ามหาสุทัศนะก็เลยพร้อมด้วยกองทัพช้างกองทัพมา้าทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นพร้อมด้วยขราชาบริพารทั้งหลายนี่ก็พากันยกกองกำลังมาเพื่อจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาสุทัศนะพอท่านเห็นกองกำลังมาอย่างนั้นเบเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เลยให้คนดูแลนะ่ะยกเตียงบรรทมท่านลงจาก อาคารธรมาารมประสาทเข้าไปที่ระหว่างต้นตาลให้โอตรงกลางแจ้งแล้วให้ท่านก็เป็นนอนอยู่ตอนนั้นใกล้ท่านใกล้จะสวรรคคตแล้วที่ที่ท่านไปนอนก็ที่เดียวกับที่พระเจ้าประิณิพานปัจจุบันนี่แหละในที่วางเตียงบรรทมตรงนั้นแหละเป็นที่เดียวกันเลยท่านก็นอนแล้วก็นอนเสียหาสยายญาตอยู่นอนตะแคงอยู่ พระมาเหสีมาถึงก็ร้องไห้ร้องไ ห, ห้บอกว่าข้าแต่พระมหาสุทัศน์ผู้เจริญขอท่านอย่าด่วนสวรรคตเลยขอให้ท่านผูกใจไว้ในเมืองขึ้น8ป0 0มืนสี่พเมืองบรรดาประชาบรรดาเกี่ยวกันในเรื่องเมืองขึ้นทั้งหลายแท้ที่จริงพระเจ้ามหาสุทัศน์นะเนี่ยท่านไม่ใช่ปกครองแค่ชมพูทวีปคือโลกใบนี้เท่านั้นนะยังปกครองอุตรากุรุทวีปด้วย พปภวิเทหาทวีปอัปรากโอยานนทวีปด้วยท่านมีทั้งม้าแก้วช้างแก้วเนี่ยคือสามารถที่จะไปด้วยกําลังลิศของตอนเองนะครับสามารถที่จะไปตามเมืองต่างๆตามประเทศต่างๆโลกอื่นได้ด้วยนะนี่ความสามารถขนาดนั้นเหมือนอะไรเหมือนกับพระเจ้ามันธาตุราชในมันธาตุราชชาดกเคยได้ศึกษาไหมครับไม่เคยเลยโอ้พวกเราศึกษาน้อยยังเอ่อพระ พระเจ้ามหาสุทัศนะกับพระเจ้ามันธาธุราชก็คือพระโพธิสัตว์เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยพระภิกษุกสันอยากจะศึกนะครับคําว่ากรสันอยากจะศึกก็คืออยากจะศึกไปมีลูกมีเมียเนี่ยอยากจะไปมีทรัพย์อยากจะไปมีบุตรมีภรรยาอยากจะไปมีลูกมีเมียเนี่ยพระเจ้าก็ถามภิกษุบอกว่าเธอมีกําลังบุญแค่ไหนที่อยากจะศึกออกไปเนี่ยเธอเคยมีกําลังบุญเท่าเราในอดีตไหมตอนที่เราเป็นโพธิสัตว์ พระก็บอกอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงพระพเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังในอดีตเนี่ยเรามีทั้งจักรแก้วมีทั้งช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วแก้วมณีนางแก้วจักรแก้วเนี่ยหมุนไปนะที่ไหนไม่มีใครกล้ารบนะคนยอมซิโรราบหมดนะจักรแก้วของพระราชาเนี่ยของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจักรแก้วใช่ไหมช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยบินเอวิ่งได้เร็วมากวิ่งรอบโลกกลับมากินอาหารเช้าทันเลยนะ เร็วกว่าเครื่องบินปัจจุบันนี้ขนาดนี้นะแล้วก็แก้วมนันีเนี่ยสามารถส่องสว่างทํากลางคืนให้เป็นกลางวันได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนขั้นหาบุรีแก้วก็คือว่าถ้าทรัพย์สมบัติหมดเนี่ยให้ขั้นหาบุีแก้วล่วงมือไปในที่ไหนคว้าสมบัติไม่ได้หมดนะส่วนนางแก้วก็สวยมากพระมาเหศรีเนี่ยพี่ที่เป็นนางแก้วนี่ครับจะสวยมากและดูร้อนเนี่ยกายของเธอจะเย็นนะครับและดูหนาวกายจะอุ่นเป็นระบบ แอร์นี่อย่างดีครับระบบแบบว่าถ้าร้อนนี่ปรับเย็นได้ถ้าเย็นปรับร้อนได้งั้นนะถ้าอากาศนาหนาวๆนี่ปรับเป็นฮิตเตอร์ได้เพราะขนาดนั้นนะกายของแล้วกินกายก็หอมกินปากก็หอมไม่เหม็นเหมือนผู้หญิงทุกวันนี้นะครับผู้หญิงทุกวันนี้ลองไม่ให้มันอ้วกให้เราเหม็นใช่ไหมครับเนี่ยคือคือด้วยกำลังบุญนางแก้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็แก้วมณี นางแก้วส่วนขุนพลแก้วเนี่ยก็คือลูกชายคนโตจะเป็นขุนพลแก้วเหมือนพระธิดาเนี่ยถ้าพระธิดาเป็นพระยาจากักรพรรดิพระราหุลก็จะเป็นขุนพลแก้วพวกนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถกําหนดรู้วาระจิตของคนที่มาเข้าเฝ้าพระราชาได้ในระยะทางในระยะประมาณสิบประมาณโยชนึงเนี่ยประมาณ16กิโลเนี่ยสามารถกําหนดรู้ได้ว่าใครคิดไม่ดีแต่พระราชาใครคิดดีแต่พระราชาเนี่ย มีความสามารถขนาดนั้นนีอย่างนี้เป็นต้นเนความสมบูรณ์พร้อมขนาดนั้นกําลังบุญขนาดนั้นพระเจ้ามันธาตุราชก็ปกครองชมพูทวีปอุตรากุรทวีปปุบพระวิเทหาทวีปอัปรากโอยาน ท, ทวีปที่เป็นทวีปมนุษย์นี่ยไหมโลกสี่ใบเนี่ยปกครองไปปกครองมาก็เซ็งเบื่อเบื่อแล้วแล้วพระเจ้ามันธาตุราชมีกําลังบุญขนาดถูกไหมเวลาตบพระหัตถ์เนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยตบมือสามครั้ง ไอ้ฝนเงินฝนทองอนี่ยก็หาปะหัะทองคําเนี่ยไหลตกลงมาจากฟ้าเนี่ยท่วมเต็มกองเต็มไปหมดเนี่ยยยยยพวกเราลองออกไปตบดูที่บุญมีไหมขนาดนั้นไหมไม่มีทางใช่ไหมก็เลยพุทธเจ้าก็เล่าให้ภาคฟังว่าไอ้กำลังบุญน้อยขนาดนี้ยังอยากจะศึกไปทําอะไรทงงํานองนั้นทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นไอ้ตัณหามันไม่เต็มไงฮะไอ้ความทยานอยากของของขอ ง, ของกิเลสตัณหาของพระเจ้ามันธาตุราชก็เลยถามปรินายกแกบอกว่า มีประเทศไหนอีกไหมที่เป็นรมณนียสถานเราอยากจะไปยึดครองเอามาเป็นเมืองขึ้นเนี่ยให้มันสวยกว่า น, นี้หน่อยอปรินายกแก้วก็บอกมีอามีที่ไหนอ่ะอ๋อจาตุมหาราชิกางั้นไปจัดการหน่อยก็ส่งนะก็เลยส่งจัดแก้วส่งกองกำลังไปไปไปทารบกท้าจาตุมหาราชาทั้งสี่ ท้าจาตัวหมาร่าทั้งสพอเห็นแค่จักแก้วแค่นั้นนะยอมซิโร่ล่าบอกไม่ยศไม่ลบแล้วยอมยกเป็นยอมเป็นเมืองขึ้นก็เลยไปปกครองนะครับปกครองในสวรรค์ชั้นจาตูมอยู่อีกตั้งนานเนี่ยปกครองอยู่ตั้งนานจนในที่สุดจริงเซ็งอีกแล้วไอ้ตันหามันจะเซ็งเร็วมันเบื่อเร็วนะเวลามันได้ปุ๊บใหม่ๆก็ตื่นเต้นใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนลวงนาเคยมีภรรยาใช่ไหมตื่นเต้นกี่วันไม่เกินไม่เกินหคืนมั้ง เะอเพตื่นเต้นแค่คืนแรกใช่ไหมล่ะใครเคยมีภรรยาบ้างยกมือทีอดีตเนี่ยมีไหมอ๋อแล้วเป็นไงตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมมันไม่ตื่นเต้นแล้วคนเดิมมันอยากที่ตื่นเต้นกับคนใหม่ไปเรื่อยตนหาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็มันมันไม่ฉลาดนี่ตันหามันมีอะไรมีโมหะอยู่เบื้องหลังมันโง่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับอะไรปุ๊บสักพักมันเบื่อแต่ไปดูอนอื่นมันนึกว่าดีมันก็ไปเรื่อยขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกัน พ่อหนักข้าวหนัข้าวเซ็งเบื่อแล้วพ่อเบื่อขึ้นมาก็เลยถามท้าวจาตัมหาราชบอกยังมีเมืองไหนไหมประเทศไหนไหมที่เป็น ร, รัมณียสถานที่มันน่าชื่นใจมากกว่านี้ท้าจ่าตัมหาราชก็บอกมีที่ไหนอ่ะบอกสวรรค์ชั้นดาวดึงเอาเลยทีนี้ท้าวจาตัมหาราชทรงจักแก้วไปครับอธิษฐานโยนจักแก้วขึ้นไปจักแก้วหมุนขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอ่ะไปหมุนเวียนรอบรอบ ล่อไปสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ตกลงมาปักอยู่บนพื้นดินเนี่ยแล้วตนเองพร้อมด้วยปริญายกแก้วเป็นต้นบริวารต้นเหอะขึ้นไปครับมีกําลังฤทธิ์ขนาดนั้นนะหอกขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปคุยกับเท้าส ก, กา่าบอกว่าจะรบกันไหมเท้าส ก, ก่าบอกว่าไม่รบขอเจราจาอย่าสึกอาหย่าสึกยังไงถ้ารบกันก็จะเสียกําลังพลทั้งสองฝ่ายขอแบ่งแบบคนละครึ่ง เอาไหมคุยกันไปคุยกันมาตกลงกันอยู่พกักบอกตกลงออาแบ่งคนละครึ่งเท้ามันพระเจ้ามันธาตุราชก็เลยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงหูงามมากนางสนมของเท้าส ก, กะมีอยู่สามโกดครึ่งโกดละสิบล้านสามโกดก็คือส0มสิบล้านครึ่งนึงก็คือส0สิบล้านเท่าไหร่ 35ล้านก็แบ่งกันคนละครึ่งถามว่านางนางสนมนางนางนางฟ้านี่งามมากนะงามพระเจ้ามันทาตุราชก็สวยสุขอยู่งั้นแหละสวยสุขอย่างงั้นเพราะอายุยืนมากในยุคบางยุคมนุษย์เนี่ยอายุยืนก็เทวดานะ ย, ยุคของพระเจ้ามันทาตุราชเนี่ยยืนกว่าเทวดามาก ท้าสกา่าก็ตายแล้วตายอีกตายแล้วตายไปสามสิบหกองพระเจ้ามันทาตุราชบอกเอ๊ะ e บ้าขอไปในะนึกเนี่ยยิ่งทำไมวะเราจะต้องเอาแค่ครึ่งเดียวอยากกระนั้นเลยฆ่าท้าสกามซะสิ้นเรื่องเอาทั้งหมดเลยด้วยตัณหามันไม่พอเห็นไหมพอคิดจิตคิดปทุสรายอย่างนั้นแต่ตนเองไปอยู่บนสวรรค์นานเนี่ยกลร่างกายมันเป็นทิพย์ครึ่งหนึ่งไปแล้วพอคิดโกรธแค่นั้นแหละเรียบร้อย เผาเลยครับล่วงเลยฤทธ์กาลังบุญกาลังฤทธ์หมดทันทีตกลงมาจากสวรรค์เนี่ยมาอยู่ในสวนของตัวเองเนี่ยตกลงมาฤทธ์หมดแล้วใกล้าตายพอใกล้าตายเบเสด็จก็เลยให้เขาจีรจาลึกประวัติศาสตร์ไว้แล้วก็สวรรคตเนี่ยท่านบนนี้คือใครคือพระพุทธเจ้าคือพระพธสิสัตว์ก็เลยเล่าให้พระฟังบอกว่าบุญมีขนาดนี้ไหมที่อยากจะศึกไว้อะ ถ้าบุญได้ไม่เทาขนาดเราบุญขนาดนี้ยังตัวไม่รอดเลยเรื่องการมาคุณมันยังไม่อิ่มเลยถมเท่าไหร่ั่ก็ไม่เต็มเลยตันหาว่างั้นเถอะโอ้ยพระองนั้นฟงัฟงฟังไปเสร็จพู้เจ้าก็ประชุมลงอริยสัจได้บรรลุเป็นพระอริยะเลยครับี่ผมพูดอย่างนี้พวกเราไม่ได้สักมากเลยนะนี่ไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมนี่ทีนี้เอาย้อนกลับมาเรื่องพระเจ้ามหาสุทัศนะคันใกล้ตายแล้ว ผมเล่าสองเรื่องประกอบกันเนี้ยไม่อาจจะงงๆเลเนี่ยก็สร้างบารมีเหมือนกันพระเจ้ามหาชัดนะเนี่ยถ้าทานบารมีเด่นใช่ไหมตอนเบื้องต้นที่ท่านแจกทานเลี้ยงคนทั้งชมพูทวีปแล้วต่อมาก็ศีลบารมีก็เด่นตอนท้ายๆใกล้จะตายเน่ยเนคขมะท่านยังเจตตุทาชาณิเกิดขึ้นทําทานฌานสมาบัติแล้วพอบั้นปลายชีวิตเนี่ยภรรยาพร้อมได้บุตรแล้วก็บริวารมาเฝ้า กองกำลังทหารเต็มหมดเลยเนี่ยนะท่านก็มานอนอยู่พระเจ้าพระมเหสีก็มาร้องไห้มาร้องไห้บอกว่าขอให้พระเจ้ามหาสุทัศนรศยดวนสวรรคตให้ผูกใจไว้ให้ผูกใจไว้กับเมืองขึ้น 84% ดหมี่พันเมืองให้ผูกใจไว้กับปราสาทแปดห0ื่นสี่พันปราสาทให้ผูกใจไว้กับรถราชรถแปดหมื่นสี่พันคันให้ผูกใจไว้กับนางสนม 84% ดหมี่พันนาง ให้ผูกใจไว้กับกองทัพ8ปดหมช้าง8ปด0 0ี่พเชือกเป็นต้นเนี่ยให้ผูกใจไว้ให้อไรอวรไว้วังนั้นเธอจะได้ไม่ตายพระเจ้าหมหาสุทัศนนพูดยังไง ร, รู้ไดูก่อนพระมเหสีเธอเธอพูดไม่เพราะเลยตามธรรมดาคนตายได้จิตอไรอวรนเนี่ยจะไปทุกขตินะฉะนั้นให้เธอพูดใหม่ ในฐานะที่เป็นนางแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิให้พูดใหม่พระมเหสีก็ร้องไห้แล้วก็ค่อยๆใหพ้พูดยังไงบอกว่าข้าแต่พระเจ้ามหาสุทัศนะผู้เจริญท่านอย่าได้อะไรอววรเมืองขึ้น8 4 0 0 0พันเมืองเลยอย่าได้อะไรอววรปราสาทแปดห0พันปราสาท ยัยได้อาลาอาวรนเตียงบรรทม8ป0 0 0ื่นสี่ันเตียงนางสนม8ป0 0 0นี่พันางเป็นให้พารนาเธอก็พารนาไปเรื่อยพอพารนาเสร็จปุ๊บท่านกําหนดสติปุ๊บแล้วท่านเข้าสมาธิออกจากสมาธิแล้วท่านก็พูดบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นบรมสุข พอท่านพูดคํานี้เสร็จปุ๊บท่านก็สวรรคตเราไปอยู่ในอยู่ไปอยู่ในใ น, ในพรหมภูมเนี่ยเคยเกิดมาแล้วที่ตรงนั้นก็คือที่พระเจ้าปรินิพานปัจจุบันนี้แหละนั่นแหละที่ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเคยมาทิ้งสรีละมาหกครั้งครั้งที่เจ็ดก็ปรินิพานแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกเลยใช่ไหมเนี่ยห้าที่ปรินิพานที่ตรงนั้นเนั้นเวลาเราไปที่ตรงนั้นเราควรคิดยังไง ไปที่ปรินิพพานพระเจ้าควรคิดยังไงครับถามหน่อยถามความเห็นหน่อยควรคิดยังไงครับไปที่ตรงนั้นเราจะคิดยังไง้องแสดงความเห็นหน่อยที <c oughs> <c oughs> เราในฐานะเป็นพระเนี่ยเวลาไปเฝ้าพระเจ้าสถานที่ปฏินิพพานของพระเจ้าเนี่ย เราควรไปพูดอะไรควรไปประฏิญญาอะไรและควรไปคิดยังไงอ่ะไปที่ตรงนั้นมีมีโยมคนหนึ่งนะไปที่ตรงนั้นแกไปร้องไห้ถามยอมร้องไห้ทาไมสงสารพระพุทธเจ้าสงสารบโอ้ยทำไมมาตายแบบนี้วะเงินน่าสงสารเหลือเกิน โอ้โหอยู่ในลั้วในวงังแท้ๆดันมาตายที่แบบนี้ว่างโอ้โหน่าสงสารก็นั่งร้องไห้อยู่นั่นแหละาถามว่าโยมเขาคิดอย่างนี้มันสมควรคิดไหมเนี่ยคิดถูกไหมการที่พระพุทธเจ้าป ร, รินิพานเราควรไปร้องไห้ไหมถามจริงอรควรอะไร ถามว่าจุดหมายในการที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออนุปาทาปรินิพานคาว่าอนุปาทาปรินิพานก็คือการดับกิเลสและกองทุกข์ใช่ไหมครับการนิพพานของพระพุทธเจ้ามีสามอย่างใช่ไหมนี่ว่าตามมาตรฐานะหนึ่งกิเลสนิพพานทําให้มีขึ้นแล้วที่ไหนใต้ต้นพระศีมหาโพลวันขึ้นสิบหาค่ำเดืน6กใช่ไหม ที่ทํากิเลสคือราคาโทสามโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจชายินิการโนตปาอุตจะเป็นต้นให้นิพพานก็คือดับไม่มีเหลือนั่น ก, กิเลสได้นิพพานแล้วพอกิเลสนิพพานเสร็จปุ๊บเหลือแต่อะไรกระแสชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีกิเลสเกลือกลั้วเลยนี่ไหมพระองค์ก็ดําเนินกระแสขันกระแสชีวิตด้วยความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดนั้นประกาศหลักการของพ ร, ระพุทธนตไตร เผยแผ่ขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตดังที่ได้ปฏิญญาณตรัไว้ว่าเราตัดสู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตัดสู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วยเราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหายใจคล่องด้วยแล้วพระองค์ก็ทําได้จริงๆแล้วต่อมาครบสี่สิบห้าปีพระองค์ก็เสด็จดําเนินไปที่นั่นแหละที่กุศลนารานี่แหละหลังจากที่พญามารณรัตนาใช่ไหมครับ พญามารรัตนาว่าไงรัตนาที่ปาวาระเจดีพญามารเขาไปรัตนาว่าไงขอให้พระเจ้าปรลินิพานใช่ไหมตอนนั้นพระยาพูดกับมารว่าไงดูก่อนมารผู้ใจบาปใช่ไหมตราบใดภิกษุบริษัทของเราตถาคตยังไม่อาจฐานแก้วกล้า ยังไม่สามารถแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางได้ที่สุดถึงพร้อมในอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนที่สามารถประกาศหลักการให้มนุษย์และเทวดาพรมให้รู้ได้อย่างทั่วถึงได้ตราบใดเรายังจักไม่ปรินิพานเพียงนั้นละมารตอบว่าไงมารตอบบอกว่ า, วาตอนนี้ภิกษุบริษัทของพระ อ, องค์เนี่ยอาจหานแก้วกล้าฉลาดจาคาสอนได้ เข้าถึงคำสอนสามารถแสดงทาให้มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางได้ที่สุดปรับปรัประวาทะสามารถประกาศหลักการของพระรัตนตรัยให้สว่างเจริญรุ่งเรืองให้มนุษย์เทวดารู้ได้อย่างทั่วถึงแล้วฉะนั้นพระองค์ควรปรินิพานได้แล้วเพระเจ้าบอกตราบใดภิกษุณีบริษัทยังไม่อาจหานแก้วกล้ า, ลามารก็บอกภิกษุณีบริษัทแก้วกล้าแล้วควรปรินิพานได้แล้วพระเจ้าบอกอุบาสกบริษัท มานก็บอกอุบาสกบริษัทก็ชำนาญแกล้วกล้าสามารถแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นเป็นต้นเนี่ยทําให้าศาสนาพระเจ้าสว่างรุ่งเรืองะพระเจ้าก็ไปอุบาสิกาบริษัทมารก็บอกว่าตอนนี้บริษัทสี่ของพระองค์เนี่ยอาฐานแกล้วกล้าสามารถปรับประปวัติธาทุแก้ต่างวาระที่ต่างเป็นต้นได้แล้วสามารถแสดงธรรมทาให้มนุษย์และเทวดาเป็นต้นเนี่ยให้รู้ได้อย่างทั่วถึง ทำศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างรุ่งเรืองงั้นพระเจ้าควรปริญนิพพานได้แล้วพระเจ้าจึงยอมรับแล้วก็มานเออยเนี่ยท่านไม่ต้องค้นขวายม า, มากแต่ตอนนี้ไปอีกสามเดือนตถาคตจะบรินิพพานแผ่นดินก็ไหวใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นข้อชี้ทําให้เราเห็นอะไรไหมตรงเนี้ยเห็นว่าบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าแข็งแรงมากเก่งมากชํานาญมาก มีความรอบรู้มากแกล้ากล้าอาถานฉลาดในคําสอนของพระเจ้าและปฏิบัติธรรมมก็เข้าถึงคําสอนด้วยสามารถปรับปรับปวาทาัคือแก้ต่างวาทาที่ต่างใครจะมาโจมตีในมุมไหนฉลาดในการแก้ต่างได้หมดและสามารถประกาศหลักการของพระเจ้าให้รู้ได้อย่างทั่วถึงมนุษย์ในเทวดารู้ได้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงด้วยและทุกวันนี้พุทธบริษัทเป็นอย่างนั้นไหมครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไม่เป็นพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ เรลกาอาถารอย่างนั้นจริงไหมใช่ไหมพระเจ้าพูดอย่างนี้นี่แปลว่าพระเจ้ามั่นใจในพุทธบริษัทสี่ถ้าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์จะยังมั่นใจแบบนี้อยู่ไหมถามจริงพอมองมาที่พวกเราปุ๊บนี่พระเจ้ายิ้มแย้มพระโอดเลยหม แย้มพระโอษฐรจปุ๊บสัตว์โลกเป็นไปตามคำนี่ตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าฝากความหวังไว้ที่พุทธบริษัทสี่จริงๆนะครับเนี่ยก็ทีนี้ที่ได้เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่จะเห็นว่า เห็นความเพียรพยายามของพระเจ้าที่ไปโปรดเออบางทีเนี่ยตอนที่พระเจ้าไปที่บ้านของนายจุนท่ากรรมบรบุตรเนี่ยที่ไปเสวยสุกรมาทว่าเนี่ยคนก็เถียงกันนะคคนก็เถียงว่าและในพระใจิีดอกก็ไปแปลมาแบบนั้นด้วยนะ หลังจากเสวยสุกรลมัทวะของในที่บ้านท่านนายจุนธาแล้วอาพาธของพระพุทธเจ้าก็กําเริบขึ้นเออตรงนี้มันไปแปลแบบเนี้ที่จริงการได้เสวยอาหารสุกรลมัทวะเนี่ยทำให้โรคอาพาธของพระพุทธเจ้าเนี่ยระ ง, งับได้ระดับหนึ่งาใจยังเพราะเจตนาของนายจุนทาเนี่ย ต้องการทําอาหารเนี่ยที่ปเป็นยาเนี่ยปรุงใช่ไหมถวายพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้อาหารของบ้านนายจุนท่าเนี่ยไม่สามารถเดินจากบ้านนายจุนท่ามาที่ปรีธิพานได้เลยเนี่ยสามคาวุธเนี่ยสิบสองกิโลจากบ้านของนายจุนทามาที่ปาริธิพานเนี่ยสิบสอกิโลเนี่ยพระพุทธเจ้าหยุดพักเนี่ยยี่สิบห้าครั้งยี่สิบห้าหน่วยแปลว่า แปลว่าแปลว่าไม่เคยนะแต่ก็ต้องมาให้ถึงให้ได้ใช่ไหมเพราะอะไรด้วยไหมทาไมต้องมาปรินิพานที่กุศลานราด้วยเหตุกี่ประการสามประการหนึ่งต้องการโปรดใครสุภัททะปริพาชกเพราะว่าเป็นพันธกิจด้วยนะเนี่ยถ้าสุภัททะปริพาชกไม่ได้พพุทธเจ้ามาโปรดก็จะเป็นบุคคลที่ ตายอย่างอนาถเหมือนกันเพราะเป็นพุธทธเวไนคําว่าพุธทธเวไนเนี่ยไม่สามารถฟังคนอื่นแล้วบรรลุได้นอกจากฟังอยางพุทธเจ้าเท่านั้นนี่เขาล็อกตัวเองไว้เป็นพุธทธเวไนและต้องฟังอย่างพุทธเจ้าทางนั้นฉะนั้นพุธทธเจ้าจะตายไม่ได้จะนิพพานาไม่ได้ต้องมาปวดตนเองนี่คือบา ร, รมีตัวเองวาเป็นไว้พุธทธเจ้ า, าก็ต้องมานี่มหากรุณาชัดเลยนะเนี่ยถ้าอย่างเราไปไหมครับเหนื่อยขนาดนั้นนะไม่เอาเลยไม่ไป อย่าว่าแต่จะเหนื่อยขนาดนั้นเลยปวดหัวนิดเดียวยังไม่ไปเลยเราเนี่ยสองต้องการไปแสดงหมาสุทัศนะสูตรให้ปรากฏเพราะพระพุทธเจ้าเคยมาบําเพ็ญบา ร, รมีที่เมืองนี้อย่าไปบอกว่าเมืองกิ่งเมืองดอนเมืองเล็กอย่างที่พระนรินเข้าใจเคยต้องการเล่าเมืองนี้สมัยก่อนนะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ยังไงนี่ประการที่สองประการที่สามถ้าไปป ร, ริญญิพานที่อื่นจะมีปัญหาเรื่องการ แย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุใช่ไหมครับถ้ามาที่นี่โทนพามเนี่ยเป็นชาวกุศินาราโทณาพามเนี่ยเป็นอาจารย์ของบรรดากษัตริย์ในยุคนั้นก็จะสามารถมาหย่าศึกได้แล้วก็ชี้ให้คนเกิดสมัครสมานสามคัคคีกันได้แล้วก็จะเป็นคนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุอย่างนี้เป็นต้นเอออย่างเงี้ยถ้าพวกเราศึกษาคําสอนเราเจาะเชิงลึกอย่างเงี้ยมันจะได้เข้าใจเวลาตอบประเด็นตอบปัญหาใครปุ๊บมันเข้าใจทันทีเลยใช่ไหมครับ ทุกคนฟังเออชื่นใจพระธรรมทูตนี่ไม่ธรรมดาเลยเนี่ฟังแล้วเหม็นน่าศรัทธางี้เป็นต้นยังมีใครจะถามอะไรไหมกายจะหมดเวลาแนละ้วเดี๋ยว ม, มีไหมครับ ในนี้ในอัตกถาเขาขยายกันไว้หลายอย่างมากไปอ่านได้ในรายละเอียดแต่ประเด็นก็ อ, อย่างนีออ้อาหารที่เป็นสกรมทวะเนี่ยจะเป็นเนื้อหมูก็หรือเป็นเนื้อเห็ดเนื้ออะไรที่เขาวิฉัยกันได้ทั้งนั้นประเด็นมันอยู่ตรงว่าเป็นอาหารของมนุษย์กับอาหารทิพย์ผสมกันเหมือนข้าวมัธย ป, ปายาตที่นางสุชาดากวนถวาย ให้สังเกตดูวนะว่าอาหารข้าวมตทุบะย่าที่นางสุชาดา ร, รมถวายเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นอะ่ะบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือพรหมไม่สามารถจะทําอาหารชนิดนี้ให้ย่อยได้เพราะเป็นอาหารผสมระหว่างอาหารทิพย์กับอาหารของมนุษย์แต่การรัชกายของพระพุทธเจ้าที่ประดับไปด้วยมหาบุริสระขนาะ3าประการและนุกจจานา80เนี่ยเป็นการรัชกายที่มีความพิเศษ สามารถที่จะรองรับอาหารของมนุษย์ก็ได้ของเทวดาก็ได้หรือผสมก็ได้อันนี้คือศักยาภาพของความเป็นพหุทธเจ้านะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายอาหารสุกรและมัทะวะเนี่ยจงอังฆ่าแต่ตถาคตนอกจากตถาคตแล้วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือใครๆไม่สามารถธรรจะย่อยอาหารนี้ได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างเนี้นั่นคือ เทวดาทั้งหลายในสากละจักรวาลเนี่ยปรารถนาอยากจะให้ทานเป็นครั้งสุดท้ายกับพระพุทธเจ้าก็เอาอาหารที่มาเป็นเป็นทริปมาโปรยมาโปรยต้องการใครก็อยากจะถวายอาหารมื้อสุดท้ายแด่พระพุทธเจ้าทางนั้นต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ก่อนฉะนั้นอาหารประเภทนี้ภิกษุอื่นๆหมดสิทธิ์หรือมนุษย์คนอื่นก็หมดสิทธิ์เทวดาก็กินไม่ได้มนุษย์ก็กินไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้า นี่นต้องเข้าใจเหมือนข้าวมัธุปาญาตเหมือนกันตอนนั้นพระเจ้ายังไม่ได้ตัดสรุปก็อันเดียวกันเนี่ยแหละเป็นอาหารประเภทเดียวกันแต่ต่างกันตรงนี้สกอรละมัวะถวาจะแปลเป็นเนื้อหมูรุ่นๆก็ได้ไม่เห็นแปลกอะไรเพราะพระเจ้า ก, กินเนื้ออยู่แล้วนะหรือจะแปลว่าเหตุที่หมูชอบกินก็ได้หรือจะแปลว่าหน่อไม้ที่หมูชอบกินก็ได้สับนี้แปลได้ทั้งเยอะแยะใช่ไหมอย่างนี้หรือจะเป็นยา ก, ก็ได้ที่นายจุนทะต้องการอยากจะปรุงถวายพระเจ้า แต่สรุปก็คือว่าอาหารชนิดนี้เป็นอาหารของมนุษย์และอาหารของเทวดาผสมกันอย่างนี้เป็นต้นโรคที่พระเจ้ทาทรงเป็นนั่นเขาเรียกปักขันทิกาพาดเหมือนกับพระสารีบุตรเป็นพระสารีบุตรก็ป่วยเหมือนกันอาเจียนก็เป็นโลหิตเหมือนกันงั้นเวลาตอนที่พระเจ้าเสด็จดำเนินมาพักแล้วพักอีกพักแล้วครั้งสุดท้ายที่ยี่ครั้งที่ยี่ห้าพระเจ้าก็บอกดูก่อนอานนท์ เราเหนื่อยนักเราจักพักเราจักนอนที่พูดคํำนี้ยอันนั้นเขาเรียกเป็นการกล่าวเพื่อให้พุทธบริษัทสี่มีภิกษุเป็นต้นน่ะเกิดมหาสังเวชยานะก็คือว่าเกิดความสะดุ้งสะเทือนว่าพระบรมศาสดาไม่เคยตรัสคํานี้เลยเหตุที่ตรัสคํานี้เพื่อให้เราเกิดความสะดุ้งสะเทือนในใจว่า พระเจ้าบำเพ็ญบารมีสิบอุปปารมีสิปรมัตถบารมีสิบมบายี่สิบสองขายยิ่งด้วยแสนมหากัปกว่าจะได้เป็นพระเจ้าแม้เป็นพระเจ้าก็ต้องทํากิจในฐานะทั้งในฐานะความเป็นพุทธเจ้าใช่ไหมครับในฐานะที่บําเพ็ญกิจในฐานะให้แก่ประโยชน ญ, ญาติทากิจแก่ชาวโลกทั้งพุทธถาจริยาโลกัถาจริยาและก็ยาตถาจริยาเนี่ยบาเพ็ญกิจมาเนี่ยตั้งแต่บําเพ็ญบารมีมาจนถึงณาวินาทีเนี่ย ท่านจึงใช้คําว่าเราเหนื่อยนักเราจักพักเราจักนอนก็คือเราจะกปรินิพานแล้วเราจะไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดในสังสารวัฏอีกแล้วอันนี้เป็นบรมสุขเป็นจุดหมายสูงสุดที่ตถาคตหวังไว้นี่ยพระองค์จึงจึงต้องการพักเป็นครั้งสุดท้ายท่านถ้าเราไปหน้าที่ตรงนี้เราควรคิดอย่างไรเราควรคิดว่าด้วยการที่ข้าพเจ้ามาสักการะมาบูชา บวชถวายเป็นพุทธบูชามาสการะมบูชานี้ด้วยอานุภาพแข่งบารมี10อุปบารมี10ปารวาธบารมี10ของพระพุทธเจ้าจงปกครองคุ้มครองแสชีวิตข้าพเจ้าและกุศลที่ข้าพเจ้าทําจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนอนเป็นครั้งสุดท้ายอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงนอนนี้ได้เถอะแล้วไม่ลุกขึ้นมาในสังสารวัฏอีกต่อไปเลยคิดเงี้ยนะครับให้ตั้งอัธยาสายอย่างนั้นนี่คือเป็นจุดสุดยอดที่เราปรารถนาเราก็อยากจะนอนเป็นครั้งสุดท้าย ไม่ต้องการลุกออกมาเกิดบ่อยๆแก่ บ, บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆแล้วต้องการจะ บ, บริญิพานเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้คือจุดหมายสูงสุดของพุทธบริษัทถ้าไปหนะ้าที่ตรงเนี้ต้องเกิดความเกล้ากล้าอาถารเกิดความสะเทือนใจอย่างแรงกล้าว่าเราจะต้องนอนแบบนี้ให้ได้เราจะต้องนอนแบบไม่ลุกขึ้นมาพุกพลานในสังสารวัฏอีกให้ได้ต้องคิดอย่างนี้เข้าใจไหมครับถ้าเรามองอย่างนี้คิดอย่างนี้แปลว่าคิดแบบคนเข้าใจในสังสารวัฏ <c oughs> มีใครจะถามอะไรไหมครับ อาเชิญครับอันนี้เป็นลัทธิของอของมหายานส่วนหนึ่งแล้วก็ของพระของมหาเทวะคือมหาเทวะเราไปดูประวัตินะครับมหาเทวะที่ที่ก่อนจะบวชเนี่ยต้องทำกรรมประหลาดประหลาดมากก็คือ ก็คือฆ่าฆ่าทั้งพ่อแม่ทั้งตัวเองมาใช่ไหมล่ะแล้วอยู่ต่อมาที่มาบวชแล้วต่อมามีแม่มาบวชอยู่ด้วยอะไรเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดนะที่บอกว่าไปไปมามาแม่มาบวชเป็นภิกษุณีตัวเองบวชเป็นภิกษุแล้วไปไปมาก็เลยเสพอาส า, า, าธรรมนะกับแม่วางกันถึงของตัวเองเพราะกลัวพ่อจะรู้ก็เลยไปฆ่าพ่ออะไรเงี้ยนะนั้นไปไปมาตนวเองก็ทากรรมมันบาปช้าลามกด้วย ทีนี้ตอนเองไปประกาศว่ายตนเองเป็นพระรหารพอเป็นประกาศว่าตนเองเป็นพระรหารแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็คือว่าลูกศิษย์เนี่ยเอาสะบองไปซักก็ไปเจอน้ําอสุจิอะ่ะอยู่ในสะบงลูกศิษย์ก็เลยสงสัยมาถามว่าอาจารย์ครับเออเป็นพระรหารยังมีน้ําสุกกาเนี่ยน้ำอสุจินะอยู่นะบอกเป็นไปได้ว่างั้นนะเป็นไปได้พระอาหารก็ยังมีกินยังมีความไอ ความต้องการตรง เ, เองความต้องการตรงเนี้มันเป็นทั้งด้านร่างกายก็สังเป็นไปได้แล้วมีอยู่วันหนึ่งตัวเองก็นอนนอนอยู่ก็ทุกข์มากก็พูดออกมาว่าทุกข์เครียดด้วยความที่ตัวเองทํ า, า, า, ากรรมชาลามกเยอะเนี่ยก็เลยอุทานความทุกข์ออกมาแล้วพระลูกศิษย์ก็ได้ยินก็เลยไปถามประชุมบอกว่าอาจารย์ตามธรรมดาคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วยังอุทานว่าทุกข์จรงิจรงโว้ยทุกข์จริงโว้ยยังอุทานอย่างนี้อยู่ไหมก็เป็นไปได้พระอรหาันต์ยังสามารถอุทานว่าทุกข์จริงโว้ยเป็นต้นเหรอเนี้ย ฉนันสรุปตรงนี้ก็คือว่าเป็นความเป็นทัศนาความเห็นของมหายานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระรหรันต์พระรหันต์เนี่ยท่านไม่มีแล้วเรื่องฝันนะเรื่องฝันเรื่องน้ําอสุจิเคลื่อนทั้งหลายนี่ก็ไม่มีแล้วไม่มีนะจะ ม, มีได้งไงเพราะไอ้น้ำอสุจิน้ำสุกกาทั้งหลายมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากราคะเป็นตัวผลิตนะครับมันเกิดจากราคาความกําหนัดไอ้ตัวราคาที่เป็น น้ำอสุจิตัวนี้มันมาจากเป็นจิตตชั่วโรบส่วนหนึ่งเป็นอุตุชั่วโรบส่วนหนึ่งมันเกิดจากจิตจิตเป็นตัวปรุงแต่งสร้างขึ้นมาเมื่อเกิดความกำหนัดขึ้นมาปรุงแต่งจิตมากๆขึ้นมามันก็กลั่นน้ำประเภทนี้ออกมาอย่างนี้เป็นต้นนั้นพระอาหารไม่มีนะไม่ ม, ม, มีเรื่องเหล่านี้ <c oughs> นั้นก็ดีก็เราศึกษามหายานเราก็ต้องรู้จักนะครับโดยเฉพาะมหายานก็มีหลายลทัทธิมากมหายานแบบทิเบต ลัทธ e the ิวัชระยานเขาก็บอกเขาไม่ได้เป็นมหายานนะเขาเป็นมหายานเอเขาเป็นวัชรยานใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเทรวาดไม่ว่าจะเป็นมหายานเขามีเถรวาดมหายานวัชระยานเขาบอกของเขาเนี่ยไม่เป็นเถรวาดไม่เป็นมหายานแต่เขาเป็นวัชรยานแล้วเขาว่าเขาสูงกว่าเราด้วยนะเออที่เบตเนี่ยเขาบอกเขาสูงกว่าเราด้วยเขาสูงกว่าเขาเด่นกว่าเขาดีกว่าเป็นเรื่องของทิฏฐินะครับ เราในฐานะที่เราศึกษาทางด้านของศาสนาเปรียบเทียบทั้งหลายเลยเนี่ยก็ต้องเข้าใจก็ต้องมีจุดยืนของเราให้ชัดอย่าไปคิดว่าเราจะไปเข้ากับเขาหรือเขาจะมาเข้ากับเราเพราะเขามองเราเขาก็ไม่ได้มาศรัทธาอะไรเรานะครับจริงๆแล้วแล้วเขายอมรับนะพวกเราเนี่ยของเราเองเนี่ยถือหลักการเคร่งคัดถือเราเบียบตามคําสอนไม่มีการดัดแปลงเนี่ยแต่เขามองยังไงรู้ไหมของเราเนี่ยเป็นการถือตาม หลักการแบบมาแต่ก็ไม่มีความเข้าใจไม่สามารถอัพพลายมาปฏิบัติให้สามารถเข้าถึงจนสามารถเข้าถึงในการบรรลุธรรมได้อย่างแท้จริงเพราะมัวแต่ถือหลักการอยู่อย่างเงี้เขามองพวกเราอย่างนั้นใช่ไหมแต่ของเขาเป็นอาจารยวิวาสเป็นลทัทธิอาจารย์แล้วก็สามารถอธิบายแตกต่างคําสอนดั้งเดิมแต่การอธิบายแตกต่างนั้นคือความสามารถของอาจารย์รุ่นต่อต่อ ต, อ ต, อตอมาของเขา เขาสามารถทําให้คนในยุคนี้เข้าถึงธรรมะบรรลุทุนธรรมได้เขาเขาถือเขาอย่างนั้นก็เราก็ต้องเข้าใจเขาอันนั้นคือคือบรรดามหายานเขามองเราอย่างนั้นเนี่ยเขามองว่าเขาดัดแปลงไปเพื่อจะเข้าถึงนะครับไม่ใช่ว่าดัดแปลงเป็นการเพี้ยงหรือเป็นการทําให้การเข้าถึงมันเลอะเทอะเงี้ยการเข้าถึงผิดพลาดเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเขาเข้าใจนั่นคือความสามารถของอาจารย์ยุคลังหลังเขาที่เขาสามารถอธิบายทําให้เข้าใจได้นี่เขาไปเข้าใจอย่างนั้น อะไรนะอ๋ออันนั้นเขาต้องการทําบูชาเลยเขาบางทีก็บนด้วยครับถ้าไปดูเจาะกันลึกๆพวกกลุ่มทิเบตทั้งหลายอะไรนี้บางทีก็บนให้ผู้ให้เป็นไปไปมาๆกับเพี้ยนเยอะไอ้ที่จะเข้าใจหลักการแท้ๆจริงๆก็ยากไปไปมาก็เป็นการทําเพื่อให้ครบตามจํานวนเป็นสีรับประทานปรามาสโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นหมด ไอ้ที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจอย่างแท้จริงเป็นการกระทําเพื่อมุ่งถวายเป็นพุทธบูชาต้องการที่จะทําเป็นปัจจัยเกิดปลาโมดปีติปสัสสติสุขและกะสมาธิและเป็นฐานแห่งวิปัสสนาญาณแทงตลอดอริยสัจไม่โดยมากไม่ถึงได้มากก็ไปลักษณะนี่แหละได้แค่รูปแบบทุกวันนี้เป็นอย่างนี้แม้แต่พวกเราเองก็อย่างนี้ติดแต่รูปแบบกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถเจาะทะลุดวงรูปแบบเข้าไปถึงสาระของธรร ม, มได้ อันนี้เป็นปัญหามากเลยยิ่งยุกต่อไปก็ยิ่งจะเจอปัญหานี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับนี่พวกเราก็ต้องพยายามว่าเอารูปแบบให้ฉลาดในรูปแบบเอารูปแบบเป็นฐานเดินกสุสารธรรมคือศีลสมาธิปัญญาได้อย่างแท้จริงยังไงนั่นก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาต่อนี่เหมือนอะวะอะไรนะอ๋อหมายจะหมายถึงอะไรใช่ไหมก็คือเขาถืออย่างนี้ครับนิพพานของเขาเป็นเมืองครับ เหมือนอถ้าโดยตรงก็เหมือนกับแบบเหมือ น, น, น, นธรรมกายฮะเหมือนนิพพานของธรรมกายนิพพานของธรรมกายก็เป็นเมืองเลยครับเป็นเมืองแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยไปไปอธิบายนิพพานเป็นเมืองเป็นแดนเป็นเป็นแดนเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นประเทศประเทศหนึ่งเมื่อเข้าสู่ประเทศนี้แล้วคือพ้นทุกข์ว่างั้นเถอะในตำรองอย่างนั้ น, น, <ด> <ello> นลออแล้วคนนิพพานแล้วก็จะไม่ไปแออาดกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาเขาเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเขายังมีว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถึงแม้นิพพานแล้วก็ยังไปมีชีวิตอยู่ มีเมืองอยู่มีประเทศอยู่มีนิพพานเป็นเมืองเป็นแดนเกิดอยู่โดยส่วนใหญ่มหายานก็เป็นไปในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดจากเทราวาทที่เราชัดเจนเลยเพราะว่าของเราจริงๆนิพพานก็คือการดับกิเลสและกองทุกข์ไม่มีการเกิดขึ้นมาใหม่อีกไม่มีรูปขันไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเป็นอนุ ป, ปาทาปณิพพานกิเลสดับด้วยขันดับด้วยหมดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยเอเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ไม่ใช่ดับเหมือนว่าเหมือนว่าเหมือนไม่มีอะไรนะมันมีแบบแต่ก่อนมันมีเนี่ยกิเลสมันมีแต่พอกิเลสหมดกิเลสก็นิพพานใช่ไหมไอ้พอกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหตุแห่งการทํากรรมเพื่อจะเวียนว่ายตายเกิดมันไม่มีแล้วการเกิดใหม่มันก็เลยไม่มีกระแสชีวิตดับมันก็เลยเขาเรียกว่าขันธานิพพานใช่ไหมครับถ้ากิเลสนิพพานก็กิเลสนิพพานพราะกระแสชีวิตดับเขาเรียกว่าขันธานิพพานเหลือแต่พระธาต พระรมสารีรกธาตุระครบ 5,000 ปีพระธาตุก็อันตรธานอีกก็เรียกธาตุปรินิพานพุทธศาสนาก็เลยจัดนิพานสเลยในเถราวาตเราใช่ไหมครับหนึ่งกิเลสนิพานที่ควงต้นศีมหาโผสองขันธปรินิพานที่กุศลนาลาอีกห้าพันปีข้างหน้าปัจจุบันเหลือ 2,000 กว่าปีพระธาตุก็ไปรวมกันแล้วไฟก็จะลุกขึ้นมาเผาไม่มีเหลือก็กลายเป็นธาตุปรินิพานตรงเนี้เป็นข้อเชให้เห็น บางทีเนี่ยพวกเราก็ตะเลดิดโอ้นี่พระธาตุของพุทเจ้าองค์ก่อนมองเห็นไหมอันนี้ขัดหลักแล้วพระเจ้าองค์ก่อนต้องปรินิพานไปแล้วพระธาตุนั้นน่ะจะอยู่ยืนยาวมามาอยู่ในในพบนี้ได้งไงเข้าใจยังนี่เป็นการศาสตรพ์พระุทธเจ้าองค์นี้อันนี้พวกเราต้องชัดเลยนะีตรงเนี้ย เออไปไปมาบางทีเราก็เอาแล้วเอาศาสนาของพระศรียโยมีไตมาปนกับศาบนสน า, าองค์ปัจจุบันอีกทั้งๆงที่ศาสนาพุทธิย่อองค์ปัจจุบันยังดําเนินไปอยู่เนี้ยนี่เราก็ต้องชัดเจนว่าเอออย่างเนี้ยนี่ชักเพี้ยนออกแล้วต้องบอกเขาด้วยเข้าใจใไหมเนยเนี่ยตรงตรงนี้เราต้องชัดเวลาเราศึกษาคําสอนเนี่ยไปไปมาก็ไปสร้างพระศรีอโยมีไตมามากบกันกับพุทธิย่อองค์ปัจจุบันก็อีกเฮ้ยไปไปมาจะเอาอยัางไงจะนับถือองค์ไหนกันแน่เนี้ยไปไปมาองค์นี้อาอพระพุทธ พระพุทศาสนาพระพุทธเจ้าโคโดมอง์ปัจจุบันนี้มีภาษียาเมตตาอีกบางทีมีพระเจ้าองค์ปถุงปถมอะไรมาไปด้วยเยอะแยะหมดมองเห็นไหมครับเนี่ยไปตั้งกันยังไงกันไปนี้ก็ต้องเข้าใจชัดดังนั้นเดี๋ยวจะเพี้ยนเนะมันมีโอกาสเพี้ยนสูงนั้นตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อการที่พระเจ้ากิเลสนิพพานขันธปรินิพานแล้วก็ธาตุปรินิพานพระเจ้าแต่พระองค์เนี่ยจะต้องมีปรินิพานแบบนี้ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวว่าโอ้นี่เป็นพระาธาตุของพระกกคุสันทะโกนาขามานะบังกัสปะบ้ า, บางใช่ไหมไปไปมาเคยได้ยินไหมเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเนี่ยเข้าใจผิดแล้วแท้จริงต้องเป็นพระาธาตุองค์นี้แน่นอนแต่ความเข้าใจผิดแต่เราอย่าไปปฏิเสธว่าไม่ใช่นะนะให้มนตรีการได้เลยว่าเป็นองค์นี้เป็นองค์ปัจจุบันนี้แต่เขาเข้าใจเป็นองค์ก่อนก็เรื่องเข้าไปนะขอให้เราเข้าใจว่าแท้จริงต้องเป็นองค์องค์งนี้เท่านั้นแหละในาศาสนาพุทธเจ้านี้นี่ต้องเข้าใจ ใช่ใช่เป็นการสิ้นอายุศาสนาครับเรื่องพระธาตุเนี่ยพอพระธาตุหมดเนี่ศาสนาก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วคําสอนก็เกลี้ยงก็เริ่มต้นนับใหม่ได้พระประเจกพระุทธเจ้าจะมาเกิดก็ได้ใครจะมาเกิดก็ได้แต่นี้ไม่ใช่โอ้โหอยู่ๆมีพระประเจกมากแล้วนี่ยุ่งเนพระประเจกพระุทธเจ้าจะไม่มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคที่วาสนาพระพุทธเจ้ายังดําเนินไปอยู่ภาษีญาติไม่ไตาก็จะไม่มาตอนนี้ไม่มาถ้ามาก็มาในฐานะบําเพ็ญบารมีเป็นพระอิสระก็ว่าไป สามารถทำได้แต่ไม่ใช่มาในฐานะเจ้ามาเป็นพระเจ้าแข่งกันเนี่ยนี่ตรงเนี้ยเคยเห็นไหมครับบางลทีบางทียมบ้างอะไรบ้างตั้งเป็นวัดของพระศรีเย้าเมตตายกันขึ้นมาแล้วแล้วก็ปั้นรูปปั้นอะไรขึ้นมาเนี่โอ้ตายแล้วแต่เนี้ยเราไปก็อนั่งกันเฉยเมยหมดแต่เนี้ยไม่ช่วยกันช่วยบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แล้วยังไม่ถึงถึงได้ไงก็บอกเลยสองพันกว่าปีก็บอกงั้นเดี๋ยวก็ ให้หมดศาสนาของเมคินเจ้าอย่าใจร้อนว่างั้นแ ใ, ใจร้อนอย่างพวกนี้ว่านันเขบวนรถขบวนนี้ยังมีอยู่อะไขบวนอื่นยังเดินไม่ได้ลางเนี่ยว่างั้นเดินได้แค่ทีละทีละคัน มันมันเป็นเรื่องที่ถ้าพระธาตุเป็นไปไม่ได้รอยพระบาทก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับก็อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ให้มนาสิการเป็นรอยพระบาทกัมพธยาไม่เป็นไรนะครับเรื่อง้อยพระบาทเนี่ยแหมคุยยาวเลยถ้าพูดเนี่ยอืออย่างนี้ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมยกอยุทยางเราเนี่ยตอนนั้นน่ยพระไทยเราก็ไปไหว้พระบรมสารีบว่ายพระ้อยพระบาทกันที่ศรีรังกา ที่อาดัมพิกเนี่ยใครไปไหมครับอาดัมพิกที่ลังกาใครไปไหมไม่เคยไปใช่ไหมเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมกลาเนี่ยผมก็จะไปขึ้นไปดูสักครั้งผมทําท่าอยู่หลายรอบแล้วไม่ได้ไปเนี่ยตอนเนี้ก็เดี๋ยวผมก็เลยตั้งหลักว่ามกลาปีหน้านี่จะไปแล้วกําลังฟิตร่างกายต้องเดินขึ้นหกเจ็ดแปชั่วโมงอันนั้นเป็นรอยพระบาทของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าไปประทับไว้ เป็นลอยจริงที่พระในสมัยสมัยังสมัยก่อนโน้นน่แม้แต่สมัยยุทธยาก็จะต้องเดินทางไปไหว้ที่ตรงนี้พอไปกันเนี่ยพระที่ลังกาในยุคนั้นก็บอกว่าทำไมคุณต้องมาถึงที่ศรีลังกาด้วยที่บ้านคุณก็มีนะที่สุวรรณภูมิก็มีว่างั้นท่านก็เลยสวดให้ังว่าสุวรรณบพเตสุวรรณกูเตโยนกกเรเบนมทานติยาเนี่ยอาหารวันทาวิทาตด โ, ดโดอาหาวันทาวิสาปโสเนี่ยจะบอกว่า สุวรรณมาลิกหนึ่งสุวรรณกูเตหนึ่งสุวรรณประปะเตหนึ่งโยนกกรเรหนึ่งนำมาทานานัทยาหาแห่งเนี่ยว่า ง, งั้นเถอะสุวรรณมาลิกอาจจะอยู่อินเดียตอนไหนว่าไปสุวรรณประปะเตไงว่างั้นสุวรรณประปะเตก็คือก็คือสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็ต้องอยู่ในนี่แหละประเทศไทยพระลังกาก็บอกอย่างนั้นตอนนั้นพระไทยกลับมาก็เลยมาแจ้งข่าวนี้ให้พระเจ้าทรงทำทราบใช่ไหม พระเจ้าทรงทมก็เลยประกาศไปในหัวเมืองน้อยใหญ่หากันหาไปหามาทั้งหลายก็เนี่ยไปเด่นปรากฏอยู่ที่สระบุรีนี่แหละพุทธบาทนี่แหละไปไปมาตอนนั้นพระเจ้าทรงทมก็เลยเลยยกสถานที่หนึ่งโยต์บริเวณน่ะโดยรอบนั้นน่ะสิบหกิโลเมตรถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ไปเห็นรอยฝ่าพระบาทตรงนั้นน่ะแล้วก็เลยสานนิฐานไว้ที่ตรงนี้แหละเป็นรอยฝ่าพระบาทของพระเจ้ า, าว่างั้นเด็กก็เลยบูชานับกันมาแต่พอไปไปมา าตามกรมศิลปกรมศิลปากรไปดูหินไปตรวจสอบก็บอกอายุไม่ถึงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไปไปมาอีกที่หนึ่งแต่เนี้ยใครเคยไปที่เขาวงพระจันทร์ไหมครับที่ลบบุรีเนี่ยผมไปขึ้นมาสองรอบแล้วไอ้ตรงนั้นสูงอันนี้ก็ร้อยฝ่าพระบาทเหมือนกันอยู่สูงมากสูงกว่าที่ลบบุรีอีกอสูงกว่าที่สระ บ, บุรีอีก เนี่ยตรงนี้ส่วนหนึ่งเขาก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นรอยจริงนี่ตัวที่หนึ่งเห็นไหมใครๆไปสุพรรณบุรีไหมครับสุพรรณบุรีที่เขาดีสลักครับตรงนั้นก็ไปตรวจไปตรวจโดยหินเหมือนกันโอ้เป็นรอยถูกต้องตามพุทธลักษณะไปไปมาก็ไปดูว่าสร้างสมัยสมัยทวรารวดียกพันสองร้อยปีครับอายุเก่าแก่กว่าที่สระ บ, บุรียี่ว่าไงแต่เนี่ยอันนี้ถึงว่าถึงตา อ่าใช่ใช่ที่ตรงนี้ก็ที่จะเชีย่ยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรอยฝ่าพระบาทเรากราบบูชาได้แล้วก็น้องบูชาน้องบูชารอยฝ่าพระบาทของพระเจ้าเป็นพุทธเจดีย์อย่างหนึ่งครับถ้าเราจะไปพิสูจน์กันจริงๆจังๆว่าอันนี้แท้ไม่แท้ยังไงนะโอ้โหเดี๋ยวเถียงกันเยอะที่จะพูดให้ฟังเลยก็เหมือนกับพระธาตุ ลอยพพุทธบาท4ี่ร้อยห้าร้ออะไรก็แล้วแต่เราบูชาได้ทั้งนั้นครับแต่ขอให้ใจเราน้อมในการที่จะบูชาร้อยฝ่าพระบาทคําว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานในโลกใบ น, นี้ห้าแห่งถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวอัตถิฐาในคําสอนโอ้เรื่องมันยาวเลยนะ น, น, นี่ไม่ขอเจาะไปในรายละเอียดและเวลาจํากัดแต่ก็เชื่อเห็นว่าเอาเฮอะไม่เป็นไรนะขอให้เราได้ได้ได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้น้อมบูชาแล้วก็นึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณใช้ได้ นะขอย ใ, ใจเราศรัทธาไดให้เข้าใจก็แล้วกันเอาไรเดี๋ยวผมจะถวายของนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองมาจากอาหารครับอาหารที่เราบริโภคเกินไปเนี่ยด้วยการที่เราเคี้ยวไม่ค่อยดีเคี้ยวไม่ละเอียดกินกินกินกินกินเข้าไปงี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอาหารนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระเพาะมากเกินไปไอตัวปาจากเตโชก็เรียกเตโชธาต ไฟธาตุในร่างกายเนี่ยที่มาเผาเนี่ยมันไม่มีพลังไม่สามารถทําอาหารให้ย่อยได้มันก็เลยเป็นเหตุไปให้ธาตพิการเนี่ยเหมือนกันก็เป็นเหตุให้ดินน้ําไฟลมเนี่ยปั่นป่วนเหมือนกันก็การหลับก็ไม่เสถียรแต่อันนี้มาจากอาหารไม่มาจะไม่ได้มาจากดินน้ําไฟลมโดยตรงมาจากอาหารที่กินเข้าไปเป็นเหตุทําให้การแปลปวนในร่างกายเกิดขึ้นเมื่อหลับไม่เสถียรก็เป็นเหตุทําให้หลับหลับตื่นๆหลับหลับตื่นๆการฝันก็เกิดขึ้นนประการที่สอง ประการที่สมาจากจิตอาวร์ก็คือจิตกังวลหรือคิดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งมากเกินไปใจที่เราเคยไปคิดอะไรไปเห็นอะไรไปไปจําอะไรมาไว้พอความจําตรงนั้นน่ยมันอาจจะจําเด่นเรื่องดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มันฝังอยู่ในใจเราเนี่ยไปครับไอตัวสัญญาเนี่ยเป็นจิตตสังขารอยู่แล้วเป็นตัวปรุงแต่งจิตทีนี้พอการนอนเข้าไปพอจิตมันสงบเข้าหน่อยแต่อาตัวสัญญามันเด่นมันก็มัน ก, มนก็มันก็ปรุงขึ้นมา มันก็เป็นเหตุทำให้เรื่องนั้นเน่ดีนิดร่างกายมันยังอยู่ในภาวะที่ไม่ตื่นไม่ไม่เต็มที่มันก็เลยเป็นเหตุเห็นความฝันได้เหมือนกันแต่เนี้ยฝันในเรื่องที่ตนเองเคยจำเคยรู้เคยได้ยินอะไรมาก็แล้วแต่นี่ น, นี่เรื่องที่สามประการที่สี่เทวดาโดนใจครับนี่มาแล้วเทวดาโดนใจอ่ะเทวดาโดนใจมาจากเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้มิชาทิฏฐิก็ได ถ้าเป็นเทวดาที่เป็นมิจฉาทิถิก็จะดนใจกําหนดให้รู้ในเรื่องที่ตนเองไม่อยากให้รู้เรื่องที่ตนเองเห็นอะไรก็ว่าไปถ้าเทวดาที่สำมาทิถิก็มาดนใจในเรื่องที่ตนเองปรารถนาอยากให้เห็นอยากให้เป็นไปหรือมีอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็สามารถมาดนใจได้นี่ประการที่สี่ประการที่ห้ากรรมครับทั้งกุศลากุศลกรรมที่เราเคยทําไว้ในปัจจุบันก็ดีในอดีตก็ดีกรรมประเภทนี้ยเช่นกรรมมันจะให้ผล ได้รับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่าเนี้กรรมเหล่านั้นก็มาแปรเปลี่ยนเป็นเหตุทําให้ฝันก่อนแล้วก็ได้รับตามที่ตนเองได้ฝันจะดีหรือไม่ดีอย่างนี้ก็เกิดขึ้นสรุปแล้วการเหตุของการฝันเนี่ยมันห้าอย่างใช่ไหมครับถ้าประการที่หนึ่งสองสามเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ประการที่สี่คือเทวดาดลใจเนี่ยเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเทวดานั้นเป็นกลุ่มไหนหลอกก็ได้ไม่หลอกก็ได้ ถ้าไม่เห็นจริงๆก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่ถ้าเรื่องกรรมเนี่ยแน่นอนทีนี้ให้สังเกตอย่างนี้ถ้ากลุ่มเทวดาทั้งหลายเนะี่ยถ้าจะโดนใจเนะี่ยโดยมากก็ตั้งแต่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วนะมันจะจะเป็นเหตุจะฝันหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกรรมก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นถ้าตอนใกล้ลุ่งเรืออะไรทั้งหลายเหล่านี้โดยมากก็จะเป็นไปกลุ่มเนี่ยเป็นเทวดากับกรรมอันนี้ก็สังเกตไปอย่างนี้ ทีนี้การฝันแล้วมันไปเห็นจริงตามที่ฝันมันเป็นไปได้ครับสองกลุ่มนี้แหละกลุ่มเทวดากับกลุ่มกรมที่ตนเองเคยสั่งสมไว้อย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยเห็นคนคนนี้เลยแต่มันมาเข้าฝันก่อนนะครับมีคนคนหนึ่งฝันฝันไปว่าตนเองเนี่ยลงไปในน้ำนะครับพอลงไปในน้ำเบส็จก็เดินเดินอยู่ในน้าก็มีคนคนหนึ่งอุ้มเด็กมา วิ่งมาในน้ําอย่างเร็ววิ่งปุ๊บปุ๊๊มาแล้วก็โยนเด็กโยนเด็กมาเนี่ยแล้วก็แล้วก็วกคนนั้นก็ตกใจก็ไปอุ้มไอ้เด็กก็กับคนที่อุ้มเห็นกันชัดเลยว้ะก็ตกใจก็เรียกเฮ้ยมาเอาลูกมันกลับคืนไปเนี่ยแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาเนี่นะอยู่มาวันหนึ่งก็ก็ไปงานที่หนึ่งก็ไปเจอครอบครัวหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาก็มาจะเอ๋กับคนนี้พอเห็นกันก็ตกใจเลยเฮ้ย เห็นได้ไงเมื่อเมื่อคืนเพื่อเห็นเมื่อคืนนี้เองไอ้เด็กคนเนี้ไอ้เด็กเห็นก็ร้องไห้ไอ้เด็กมันก็จําเราได้เราก็จํามันได้อย่างนี้ไปต้นกรณีอย่างนี้อาจจะเป็นเทวดาก็ได้อา จ, จเป็นกรรมก็ได้อย่างนี้ไปต้นพอมองเห็นไหมฮะที่จะถามว่ามันไปเห็นได้ยังไงใช่ไหมกนะ็มาสองกรณีจากเทวดาหรือกรรมมีประเด็นไหนอีกไหมครับ อ๋อก็เลือนแล้วแล้วอ๋อแล้วต้องการอะไรท่านเล่าสู่กันฟังอ่าจรอ๋อเอ คนที่จะฝันเนี่ยคนที่จะฝันก็ยังมีพวกไอ้ไอวิปปาราสได้อยู่นะครับมีพวกไอ้สัญญาวิปปาราสจิตตวิปปาราสทิฏฐิวิปปาราสพวกเนี้ยคนที่ยังมีวิปปาราสเหล่านี้อยวมีโอกาสฝันได้หมดแล้วครับทีนี้ประเด็นว่าถ้าผ้านาคามีเนี่ยกิเลสกิเลสท่านเหลือเบาบางมากโอกนะโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ได้ไม่ได้มี ยิ่งเป็นพาสอาหารด้วยแล้วยกยอดเลยไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีมันนั้นะจริงๆมันมีตัวเชื้อกิเลสเป็นตัวผลักดันอยู่ด้วยในะเรื่องการฝันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นปุญชนแล้วเอาแนวดอนไม่ได้เราโม่เดีมากจะมั่เยอะแต่บางคนเนี่ยเขาฝันอะไรโดยมากก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆริงนะเป็นคนที่ไม่ได้ การนอนแล้วฝันเนี่ยคือการหลับไม่ลึกเพราะการฝันเนี่ยวิถีจิตมันเกิดขึ้นคนที่ไม่ฝันเนี่ยแปลว่าเขาลงภวังได้ลึกเข้าใจไหมครับเหมือนคนปฏิบัติเนี่ยต้องระวังนะเวลาปฏิบัติเหมือนกันเวลาฝึกจากการปฏิบัติเนี่ยครับเรานั่งสมาธิเนี่ยเพราะจิตที่เข้าสมาธิมันเสะียนแล้วเนี่ย แล้วบางทีพอเสถียรเสถียรไปปุ๊บแล้วมันหมดความรู้สึกปุ๊บไอ้กรณีที่เป็นแบบนี้แล้วก็สำคัญว่าตนเองเข้าสมาบัติได้เนี่ยคนเข้าใจผิดแบบนี้ก็เยอะเหตุผลเพราะเพราะไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันลึกเป็นสมาธิระดับอุปจาระแต่สมาธิเนี่ยมันไม่มีกำลังที่จะสามารถทำจิตให้เกิดดับติดต่ออย่างยาวนานมันก็เลยตกภวังทีนี้มันตกผวังด้วยอานาจของสมาธิ มันเลยลงผวางเชิงลึกมันก็เลยลืมความรู้สึกไปเลยงี่ไปต้นมีพระไปปฏิบัติกันกลุ่มยุบหนอพองหนอเนี่ยมักจะเจอปัญหาตัวนี้เยอะจะเล่าให้ฟังเวลาไปนั่งเนี่ยครับก็ไปนั่งกันเป็นกลุ่มเนี่ยเวลาไปนั่งนั่งสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นกรณีแบบเนี้ยพอสมาธิมาได้ระดับหนึ่งปุ๊บก็หมดความรู้สึกไปเพราะตั้งใจจะให้หมดความรู้สึกมันหมด บางทีหมดความรู้สึกไปห้าชั่วโมงก็มีแปดชั่วโมงก็มีตอนนั้นก็ฮือฮากันเฮ้ย hey, เข้าสมาบัติได้นี่หว่าแบบเนี้ยไปเอาหมอที่โรงพยาบาลมาตรวจมาทําไงก็ไม่รู้สึกเนี่ยพอครบห้าชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงดังที่ตั้งใจไว้มันก็ฟื้นออกมาเนี่ยนะนั่นก็ออกมาทุกทีแล้วเอาหมอมาตรวจโอ้โ oh, หระดับการเต้นงองหวใจก็เบามากสเสถียรมากเหมือนไม่หายใจอ่ว่างั้นเถอะอกรณีแบบเนี้ยคือคือมัน ลงผวังเชิงลึกไม่รู้สึกตัวไม่ได้ไม่ได้เข้าขสมาบัติไม่โอโ้ดีครับสุขภาพจะดีคนเป็นแบบเนี้ยทีนี้ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอในความไม่รู้ตัวมันเหมือนว่าเหมือนเด็กเนี่ยเหมือนเด็กที่กําลังหัดเดินเนี่ยแล้วมันล้มแล้วมันไม่ลุกนี่เหมือนกันสมาธิพอแราวมันจะตั้งไข่เนี่ยด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ได้รู้สติสัมปชัญญะไม่แข็งแรงและไปตั้งใจว่าจะลง จะให้มันดับพอไปตั้งใจอย่างนั้นปุบ๊บมันก็เลยดับเข้าไปจริงๆเลยแต่นี้ยแท้จริ ง, ร ง, รรงมันเป็นลงผวังมันกลายเป็นผวังกับจิตนั่นเองทีพอเราลงผวังมันเลยกลายเป็นลงผวังเชงลึกมันก็เลยลงเสถียรตามที่ตนเองได้ตั้งใจไว้กัมมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ได้เป็นหลายชั่วโมงตามที่ตนเองกําหนดพอทําเข้าจนชํานาญชํานาญเลยแต่เนี้ยก็เลยนึกว่าโอ้โหเนี่ยผมสามารถกําหนดได้หมดเลยว่างั้นกําหนดเวลาก็ได้ ยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะกำหนดเข้าสมาธิหนึ่งชั่วโมงอ่ะพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็ชั่วโมงพอดีเลยเงี้ยเงี้ยมันจะเป็นลักษณะงี้ตลอดกรณีแบบนี้แท้ที่จริงก็คือระหว่างสมาธิกับผวังเนี่ยมันใกล้กันพอไปหมดความรู้สึกปุ๊บมันลงพวังเลยนี่ครับมันจะเลยลงเชิงลึกเพราะมันมาจากสมาธิระดับสูงระดับหนึ่งวิธีการตรงนี้วิธีแก้ทำยังไง วิธีแก้ก็คืออย่าไปตั้งจิตว่าจะหมดความรู้สึกเพราะการตั้งจิตที่จะหมดความรู้สึกแปลว่าสมาธิมันเด่นแต่สติมันอ่อนอย่างเงี้ยสติอ่อนถ้าสติอ่อนเนี่ยแปลว่าสตินั้นก็หลุดจากอารมณ์ในะปัจจุบันเมื่อหลุดจากอารมณ์ปัจจุบันสมาธิเป็นตัวผักเป็นตัวส่งให้ลงภวังเลยตัวเนี้ยมันก็เลยหลับเลยลึกเลยตัวเนี้ยอย่งเนี้ยไม่ดีเหมือนกับการเข้าสมาธิแต่จริงๆไม่ใช่สมาธิกลายเป็นลงภวังเงี้ยเป็นต้น อันนี้จะหลับลึกมากโดยมากคนที่เดินมาสายยุบหนอพ้องหนอจะเจอปัญหานี้เยอะเพราะผมเนี่สอนเรื่องยุบหนอบองหนอปฏิบัติยุบหน่อบองหนอมาแ ท, ทั้งชีวิตผมยังรู้อเรื่องตรงเนี้เอ่ตรงนี้โดยเฉพาะก็คือถ้าปฏิบัติแนวเนี้ยก็ต้องระวังสติมันอ่อนสมาธิมันเด่นคือเวลาเจริญเนี่ยเหมือนเราหายใจเข้าเนี่ยท้องมันพองพอสุดพองก็กําหนดหนอหายใจออกท้องก็ยุบพอสุดยุบกันหนอใช่ไหม พอกำหนดไปกํากหนดมามันเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเนี่ยนข้านาคามันเห็นรายละเอียดทั้งพองทั้งยุบทั้งพองทั้งยบเนี่ยทีนี้ใหม่ๆเนี่ยสติก็ออกมาทําหน้าที่ได้เต็มที่นข้านาคาพอมันเด่นชัดขึ้นมาสมาธิแนบชิดติดกันแนละ้วสติก็ไปอยู่เบื้องหลังแล้วสมาธินนออกมาเด่นแทนพอสมาธิเนี่ยอตัวแนบชิดติดกับ การพองและยบมาเด่นแทนไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆสติมันอ่อนแอไปเรื่อยๆละไตัวเนี้ยหนักเข้าหนักเข้าไอตัวนี้แหละกลายเป็นตัวส่งให้ลงผวังได้ไง่ายเพราะสติมันไม่เด่นก็จะยังเพราะใหม่ๆนย่งเราสติเกาะอยู่ใช่ไหมครับเหมือนเราดูลมหายใจเนี่ยถ้าในใหม่ๆเนี่ยสติมาทําหน้าที่เต็มที่อดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกระลึกได้ทันจับดึงตรึงแล้วจับไว้ ตัวสมาธิก็ค่อยๆแนบชิดนะเข้านะเข้าสมาธิก็จะมาแทนที่สติสนสมาธิกันแนบชิดติดกับลมแลแต่เนี้ยสติก็เริ่มถอยออกไปไอ้ตรงนี้เป็นปัญหาเลยบางทีไปไปมาก็สติก็เริ่มอ่อนแอลงและสมาธิก็เด่นนะเข้านะเข้าก็จะปุ๊บหมดความรู้สึกไปงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังว่าแท้ที่จริงการเจริญอาณาปณะสตินี่ต้องให้สติคลอเคลียแล้วให้เด่นอย่าให้สติถอยไปมากเกินไป ถ้าอย่างนั้นจะเผลอเยอะได้กำลังสมาธิจะมาแทนง น, นี้เป็นต้นพอจะเข้าใจไหฮะก็ต้องเพิ่มกำลังสติคือคำว่าสติเนี่ยสติมันจะมีลักษณะกระดึงตรึงจับใช่ไหมถ้าดึงเนี่ยก็หมายความว่าเรื่องอประสบะการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดที่มันเก็บไว้ในความทรงจำ สติก็ไปดึงเรื่องราวทั้งหลายที่ผ่านมานั่นนะ่ะดึงก็มาเพื่อให้ใจได้รับรู้เพื่อให้ปัญญาได้สอบสวนนี้เป็นต้นแต่ถ้าตรึงเนี่ยหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นเรากําหนดลม ห, หายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยไม่ให้อารมณ์นั้นผ่านไปจับอารมณ์นั้นไว้ตรึงอารมณ์นั้นไว้เพื่อให้ใจเพื่อให้สมาธิเข้าไปแนบชิดนั้นตัวตรึงตัว ตัวตึตัวจับอารมณ์ไว้เนี่ยก็อย่าหยุดจับก็คือการระลึกอยู่ในสิ่งนั้นบ่อยๆการระลึกบ่อยๆอย่างนี้ก็คือให้สติมันเด่นให้สติมันเด่นถ้าฟุ้งมันก็ไปเรื่องอื่นถ้าจับอารมณ์นั้นอยู่เขาเรียกไม่ฟุ้งเพื่อจะให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นเาว่าไงครับ อ๋อมันมีอย่างนี้ครับในพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่เพียงว่าพระอนุรุท ธ, ธาจารย์เนี่ยสมัยหลังพุทธปรินิพพานเก้าร้อยกว่าปีเนี่ยท่านรัชนาไว้เป็นอภิธรรมมัทสังคฆะทีนี้คืออย่างนี้ว่าจริงๆมีอยู่แล้วของไทยเราก็มีเราก็แปลอภิธรรมมัทสังคฆาอภิธรรมมัทวิภาวนีดีกาในประโยคเก้านะครับ แต่พวกเราเนี่ยได้แต่แปลแต่ไม่เอามาทําเป็นหลักสูตรแต่พ ม, ม่าเนี่ยเขาเก่งเข้าใจไหมเขาไปเอาอันเดียวกันนี่แหละเขาถอดมาจากตัวอภิธรรมมัฏฐสังฆาและอภิธรรมมัฏฐวิภาวณีดีกามารวมกันเบ็ดเสร็จก็เลยมาทําเป็นหลักสูตรขึ้นมาก็แค่นั้นเองจริงๆตัวเนี้ยอภิธรรมมัตฐสังหาก็ดีอภิธรรมมัฏฐวิภาวณีดีกาก็ดีเรื่ออภิธรรมอาวตานก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยเขาย่อยยอดวัตรัยปีดก ในอภิธรรมอ่ะแปดสี่หมืนสองพันพระธรรมขันเนี่ยในพระไตรปิฎกก็ไปอ่านมันเข้าใจยากไงแต่ถ้าใครเรียนตรงนี้แล้วเรียนกุญแจตรงนี้แล้วไปอ่านพระไตรปิฎกมันทะลุทะลวงหมดอย่างนี้อย่างนี้ไปนต้นเราปล่อยมันเถียงกันไปปล่อยไม่ไมีอะไร คนจะเถียงมันเถียงได้ทุกเรื่องหรือประเด็นก็คืออย่างนี้ยแต่เราให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจว่าจริงๆก็คือว่าใครถ้าเรียนคัมภียวิสุทธิมรรคเรียนคัมภียอภิธรรมัทธสังฆะอภิธรรมมัทีวิภาวนีดีกาหรือเรียนเกี่ยวในเรื่องของคัมภียเหล่านี้แล้วมาอ่านพระไตรปิฎกมันเข้าใจง่ายนะครับถ้าใครใครรู้คัมภียเหล่านี้มาก่อนมันเหมือนรู้หัวใจนะครับ เหมือนมีกุญแจอยู่นะเช่นก่อนที่เราจะอาะ่านพระไตรปิฎกเนี้ยเรามาอ่านคมภีวิสุทธิมัครเรียนคำพีวิสุตติมัคจนเข้าใจหรือวิมุตติมัคจนเข้าใจแล้วก็อ่านศึกษาอภิธรรมัฏสังฆะอภิธรรมมัฏวิภาวินีดีกาจนเข้าใจเบีดเสร็จแล้วก็ไปทะลุทะลวงพระไตรปิฎกตั้งแต่เริ่มแรกย้าเล่นสุดท้ายเข้าใจหมดแล้วครับตอเ น, นี้เพราะอะไรเพราะมีกุญแจอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะมีจริงๆนะ่ะ ถ้าเราเนี่ยต้องรู้ทั้งบาลีใช่ไหมโดยมากถ้าเรามาอ่านภาษาไทยที่เขาแปลออกมาเนี่ยมันก็มัน ก, มนก็มันก็ได้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ไม่ได้นะมันก็ได้แต่เราควรจะมีฐานพื้นฐานบาลีด้วยแล้วนอกจากมีพื้นฐานบาลีอย่างเดียวมันไม่พอไงมันก็จะต้องไปรู้ไปเรียนคำพิเศษทธิมักด้วยแล้วก็ทั้งอัตถกาถและดีกาพอเรียนคำพิเศษที่มักไปเสร็จ เอาไม่พออีกก็ต้องไปเรียนรู้ในอภิธรรมมัถะสังหะเขาเรียกอัตถกถานิ้วก้อยเนี่ยทีนี้อ่านเฉพาะอัตถะฐานิ้วก้อยอย่างเดียวไม่พอก็ไปเรียนวิภาวนีดีกาทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยเวลาไปประโยคกก้าเขาแปลไงแปลอภิธรรมมัทธาวิภาวนีดีกาพราะไปแปลมันก็ไม่เข้าใจทีนี้เนะี่ยบางทีแปลเพื่อจะสอบใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยไม่ได้เอามาเรียนรู้ที่ถ้าพวกเนี้ย พวกที่เรียนประโยคเก้าทั้งหลายกลับไปเอามาเขียนออกมาเป็นหลักสูตรพเพื่ออามานั่งเรียนกันจริงๆดีหรือมาเขียนเป็นภาษาไทยออกมาเป็นภาษาบาลีและแปลไทยออมาให้เราได้เรียนเป็นกุญแจอีกทีหนึง่งเ่ยเหมือนอย่างทั้งวัดมหาธาตุวัดอะไรต่างเขาทำกันมาเนี่ยเขาไปแปลออกมาไหมครับเอามาเปยนทําเป็นหลักสูตรมาทําเป็นจุระอภิธรร ม, มิกาตีจุระอภิธรร ม, มิกาโทจุระอภิธรร ม, มิกเอกเห็นไหมครับ แล้วก็มาเรียนเกี่ยวในเรื่องของมัชชิมาตีมัชชิมาโทมัชชิมาเอกมหาตีมหาโทมหาเอกเนี่ย mm. เขามาทําเป็นหลักสูตรเยอะๆอย่างนี้ก็เข้าใจดีแต่เนี้ยเวลาอ่านขึ้นมาปุ๊บเวลาเขาไปอ่านเขาได้เรียนกุญแจสําคัญตรงนี้แล้วเนี่ย mm. เขาก็เลยอ่านพระไตรปิฎกก็เข้าใจส่วนหนึ่งแต่ถ้าเฉพาะรู้อภิธรรมอย่างเดียวไม่พอต้องไปรู้บาลีด้วยถ้ารู้บาลีแล้วก็อ่านฉบับบาลีกันเลยแต่เนี้ยสบายใจเลยแต่นี้ไม่ต้องมาเพราะฉบับแปลไทยเขาเรียกฉบับศึกษา บางทีแปลผิดมาเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเหมือนอย่างเช่นพระไตรปิฎกในมัชฌิมานิกายมูลรปนาฏนาฏเนี่ยในสูตรแรกเนี่ยสภาสวะสังวรสูตรเนี่ยเออไม่ใช่มูลย์มู ล, ลรัปปิยาสูตรเนี่ยต้องไปดูที่ว่าเปิดมาหน้าแรกๆเหมืองแปลผิดเป็นแถวหมดศัพท์นั้นก็เขียนว่าศักระยะศักระยะมันก็ไปต่อก็ศักระยทิฐิศักระยะทิฐิมาอย่างไหนก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องโหใครรู้บาลีหน่อยก็ขีดขีดขีดขี ด, ขดเลยเนี่ยไอเราไม่รู้บาลีก็ยุ่งหรือ หรืออย่างตอนที่พระธเจ้าจะปริญพานธเนี่ยตอนที่พระนรนท์เนี่ยมันตอนที่บอกว่าพระนรนท์เนี่ยโดนปรับอาบัตทุกกฎเงี้ยมาแปลเป็นไทยแบบเนี้ยแท้จริงเนี่ยในพระไตรปิฎกไม่ได้มีเลยใช่ไหมแท้จริงคําว่าทุกกฎเนี่ยอคาว่าทุกกเนั่นแปลว่าการการะทําที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าพระนนท์เป็นอาบัตทุกกฎใช่ไหมล่ะตอนที่พระนรนท์ตอนที่ว่าเอยทําไม ถ้าท่านถามว่าทําไมพระนรนไม่ถามใช่ไหมไม่ถามพระเจ้าเกี่ยวเรื่องว่า เ, เรื่องว่าเรื่องอะไรบ้างนะฮะไม่ใช่ไม่ทำให้แม่ราชนาพระเจ้าใช่อหมออทำไมพรนะนรนไม่ราชนาพระเจ้าให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่กับหนึ่งหรือยิ่งกว่ากับหมายถึงอายุกับนะครับอายุกับก็คือร้อยปี ทำไมพระานรนไม่ราัตานานี่เป็นต้นพระเนี่ยอันนี้ก็บบอกว่าเ น, นี่ยว่าคณะสงฆ์ไปปรับอวบัติพระานรนแท้จริงไม่ใช่คําว่าทุกขตาศัพน์นั้นอ่ะขั้นแปลว่าพระนรนเนี่ ย, าานนนยทาไม่ดีไม่ใช่พระานรนเป็นอบัติทุกข์กอดการาราตนาหรือไม่าราตนาไม่เกี่ยวกับการเป็นอบัติหรือกรณีที่ปล่อยให้ผู้หญิงเข้ามาร้องไห้น้ําตาก็ดีอะไรก็ดี หลุดล่วงถูกสรีละของพระพุทธเจ้าตอนวันที่พุทธเจ้าปฏิญพานเนี่ยเนี่ยพระนอนก็บอกว่าอย่างนี้ก็เป็นทุกทุกตาก็คือการกระทําที่ไม่ดีเหมือนว่าอกตังทุกขตังเสยโยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไปแปลทับศัพท์เป็นทุกกฎแท้จริงไม่ใช่ทุกกฎตัวเนี้ยว่าการกระทำของท่านเป็นการกระทําที่ไม่ดีแต่เรามาแปลเป็นภาษาไทยว่าพระนอนเป็นระบตดทุกกฎอย่างเงี้ยไม่มีคําว่าอปติเลยในศัพท์นั้นนไม่มีเลยงี่เป็นต้นเนี่ยนี้เป็นต้น แล้วก็อะไรกันอีกอกรณีแบบเนี้ยเนี่ยพอเราไปอ่านแต่ก่อนโหยผมก็ไปบรรยายใหญ่ผมไม่ได้สนใจแล้วก็แปลมาแล้วผมก็ว่าไปตามนั้นแหละอธิบายปับปั บ, ปบเนี่ยผ้าโนนโดนสงปรับอาบัตทุกอดผมก็ว่างั้นนะโอ้โหพอมันลูทีหลังตายแล้วเราเนี่ยนี่เห็นไหมการที่ไม่ได้ไปตรวจสอบต้นตอมาเนี่ยให้ดีแล้วก็มาพูดเนี่ยโอ้โหผิดเยอะอย่างว่าเป็นอย่างเงี้ยต้องระวังเงี้ยการไม่รู้บาลีมันก็เป็นแบบเนี้ย อาศัยจมูกคนอื่นหายใจอ่นะพระบางองค์เนี่ยบางทีมาบวชตอนอายุมากมเนี้ยตั้งเกอะด้ที่มาออกอยู่ทูบยูทูปดังระเบิดเถิ่อเทิงไปดูเหระไม่รู้บริเหมือนกับคำว่าอพระเนี่ยอ่าอภัยพระวินัยของพระมีแค่ร้ อ, อยี่สิข้อเนี้ยร้อยี่สิบสิคร้อยหสิบสิขาบทเนี้ยไอ้กรณีแบบเนี้ยก็ไม่ดูใช่ไหมแท้จริงมันแปลมาผิดกันมาตั้งนานไอ้คาว่า ร้อยห้าสิบเนี่ยท่วนเนี่ยกับคาว่าเกินเนี่ยเหมือนคําว่าอธิการศัพท์เนี่ยก็ไปแปลกันใช่ไหมแท้จริงคนเรียนบาลีพื้นฐานก็รู้แล้วแปลว่าแปลว่าเกินแต่เราไปแปลว่าท่วนอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหากันมาจนทุกวันเนี่ยไปไปมาแล้วก็โอ้ยยมไม่รู้ก็เยอะมันเถียงก็ไปเถียงกันต่อน้ายยมพระเราก็ไม่ดึงมาแก้ปัญหาคณะสงฆ์มีก็ไม่ยอมแท้จริงก็ไปเรียกมาก็มาถามเฮ้ยแปลว่าไงวะ ไม่เห็นมีอะไรเลยเองแปลงี่เองแปลผิดยังไม่รู้บาลีเที่ยวมั่วบอกแค่นี้เขาก็สะดุ้งแล้วนี่ก็ไม่เลยไปปล่อยมันดังดังๆั ง, งไปคุยกันวลทีก็ยุ่งอแท้ยังไม่เห็นมีอะไรแล้วก็เรียกมาใช่ไหมพาสเด็กๆทั้งนั้นที่อยากจะดังในยูทูบทั้งหลายเนี้ยก็เรียกมาที่คณะสงมีอำนาจเยอะแยะก็เรียกมาเฮ้ยว่าไงแปลว่าไ ง, ไงว่าทำไมแปลงี้นี่เหมือนคนรู้บาลีกันเยอะแยะก็ไม่ยอมทำนี่เงี้ยถ้าทําอย่างเงี้ยปัญหาจะไม่เกิดครับก็ อ๋อากินจัญญ า, า, า, าญตนะชานนี่เป็นฌานที่เจดเป็นอรมณ์ฌานที่สามอากินจัญญายาณะคืออย่างนี้บุคคลที่เขาจะทําอรมณ์ฌานให้เกิดขึ้นเนี่ยครับเวลาจะทํะาอารมณ์ฌานให้เกิดขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้ ร, ปรูปฌานสมมติมาสายกสินนะครับไปเพ่งองค์กสินเนี่ยจนสามารถทํากสินให้เป็นปฏิภาคหนิมิตรได้เป็นนิมิตเป็นวงกลมเป็นติดตาเนี่ยนะครับใสเนี่ย ทีนี้เวลาจะเจริญอารมประชานเขาทํำยังไงเขาต้องมาเพิกครับเนี่ยเข้าสมาธิแล้วเพิกไอกตัวเนี้ยเพิกไอกตัวความใสของกสินเนี่ยหายไปที่เป็นนิมิตแห่งความใสเด่นอยู่ในใจเนี่ยไปเพิกไอกความใสเนี่ย ห, หายไปนะครับเพราะไอความใสเนี่ยหายไปเกลี้ยงเลยเหลือแต่ความว่างเปล่ามาแทนที่ไอนี้เขาเรียกอากาศนี่แหละเขาเรียกอากาสารนันจายาตนะไอตัวอากาสารนันจายาตนะก็คื อ, คอช่องว่างเนี่ย อากาศที่มันเพิกแล้วจะกระสินนี่แหละนี่เขาเรียกอากาศสารัญจายตนะทีนี้เวลาจะทําวิญญาณัญจายตนะเขาไม่ได้เอาอากาศเป็นอารมณ์ต่อไปแล้วเขาไปเอาจิตเอาความรู้สึกเนี่ยเอาความรู้สึกที่ไปรู้อากาศเป็นอารมณ์อีกทีหนึ่งก็เลยไปกําหนดเอาจิตอีกทีเป็นอารมณ์เมื่อสามารถไปดิ่งในจิตนั้นเป็นอารมณ์ได้วเวลาใดจิตนั้นปรากฏชัดขึ้นมาได้นี่เขาเรียกว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะทีนี้เวลาจะทําอากินจัญญายตนะทํำยังไง ก็เลยเพิกความรู้สึกเนี่ยไม่เอาจิตแล้วเอาความว่าไม่มีครับนัตติกินจินัตติกินจิเนี่ยบอกว่านิดนึงก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีว่างั้นเถอะเพราะกำหนดความไม่มีเป็นอารมณ์กาหนดไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆจิตมันก็หลุดก็หลุดจากการเอาจิตมาเป็นอารมณ์เอาความไม่มีเป็นอารมณ์ต้องได้เวลาใดเวลานั้นเขาเรียกว่าอากินจัญญายะตนะทีนี้เวลาไปบอกว่านิดนึงก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีใช่ไหมครับสามารถเข้าตรงนี้เป็นอารมณ์ได้ เวลาจะทำเนวะเนี่ยบอกว่าเอ๊ะจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้แท้ที่จริงก็คือว่ามันมันละเอียดละเอียดนักประนีตนักก็เลยกลายเป็นเนวะสัญญานาะสัญญายตนะก็เลยเอาความที่บางครั้งก็มีความรู้สึกบางครั้งก็ไม่มีความรู้สึก บางครั้งความรู้สึกก็โผล่ขึ้นบางครั้งความรู้สึกก็หายไปเอาความรู้สึกตรงเนี้มาเป็นอารมณ์สามารถจับตรงนี้เป็นอารมณ์ได้ก็เลยได้เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนาเป็นอย่างงี้มันเป็นความละเอียดของชานแต่ละชั้นตั้งแต่อารูปฌานที่1นึ่งอารูปฌานที่สองอารูปฌานที่3อารูปฌานที่4ี่อันนี้เรียกเป็นสมาบัติที่มันละเอียดลึกขึ้นไปคนที่ได้สมาบัติระดับนี้แล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยสังเกตได้ตั้งอย่างไรสังเกตได้ก็คือลมหายใจไม่มีหมดลมหายใจอย่เนี้ย ถ้าอย่างเราเข้าสมาธิยังไงลงให้ใจยังมีอยู่อันนี้ชัดไม่ได้เป็นสมาบัติระดับนี้ครับพอ๋อไม่ครับเป็นบุตรชนก็ได้เป็นบุคคลเป็นชาลาพีบุคคลก็ได้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะก็เยอะคือฌานสมาบัติกับวิปัสสนาคนละสายคนละจุดกัน อะไรนะฌานญาณคือฌ า, า, า, านก็คือฌานญาณะก็คือญาณนะคนละส่วนกัน<อ>ถ้าตัวฌานสมาบัติเนี่ยมันจะมีระดับที่หน<ม>ึ่งก็คือปฐมฌานในรูปฌานระดับที่สองระดับที่3มระดับที่4ในรูปฌานมี4ส่วนอรูปฌานก็มีอีก4ี่นี่กลุ่มนี้เป็นฌานสมาบัติ คำว่าฌานสมาบัติแปลว่าการเข้าอยู่เราจะเข้าอยู่ฌานระดับที่1ที่สองกี่ชั่วโมงตามที่ตนเองตั้งใจละทิฐฐานไว้ก็ดิ่งในอารมณ์เดียวส่วนญาณนะหรือวิปัสสนาญาณคนละส่วนญาณะหรือวิปัสนาญาณนะก็ใช้ฐานโดยนี้ครับใช้ฐานของฌานเป็นฐานออกจากฌานแล้วก็เดินวิปัสนาญาณโดยการใช้ฐานของสมาธิเนี่เป็นฐานการนี้จะเป็นวิปัสนาญาณเชิงลึกที่จะสามารถเห็นรายละเอียดอะไรได้ ตามตามที่ตนเองมีข้อมูลนั้นนอ๋อต้องออกฮะต้องออกจากฌานถึงจะมาจะเดินวิปัสสนาญาณได้ถ้าไม่ออกจากสมาบัติไม่ออกจากฌานเนี่ยไม่สามารถที่จะเจอวิปัสสนาได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์มันต่างกันในขณะที่อยู่ในตัวสมาบัติยกตัวอย่างเช่นมีปฏิภาคคณิมิตรของปฐวีกสินเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับ จิตก็จะดิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ได้ไปพิจารณาเลยดิ่งจับอยู่ในอารมณ์นั้นน่ะเด่นชัดในแสงสว่างในความใสของปฏิภาคคณิมิตนั้นแต่ถ้าจะเดินวิปัสสนาญาณจิตต้องหลุดออกมาจากฌานก่อนพอหลุดออกจากฌานสมาบัติปุ๊บก็เป็นวิปัสสนาญาณต่อคนละเรื่องกับการเข้าเข้าฌานเพียงแต่มากาหนดอะไรอะกำหนด กรูปปัจขันธ์กำหนดกายกําหนดสังขารร่างกายหรือจิตใจเป็นอารมณ์หรือวิจัยแยกแยะเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันคนละอารมณ์เลยนะครับฌานสมาบัติไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ส่วนวิปัสสนาญาณเห็นไตรลักษณ์ครับเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาส่วนตัวฌานสมาบัติเนี่ยก็จะเป็นดิ่งในอารมณ์นั้นๆเต้ น, นตัวปฏิภาคคณิวิตของกรรมฐานอะไรเช่นปัจจวีกสินอาโปกสินเตโชกสินหรือวายโยกสิน หรือว่ากําหนดลมหายใจเข้าออกแล้วจนสามารถได้มีมิตของลมซึ่งเป็นความใสหรือแสงสว่างก็ตามลําดับของฌานไปหรือจะเอาอากาศเป็นอารมณ์หรือจะเอาพวกวิญญาณเป็นอารมณ์เนี่ยก็ดิ่งในอารมณ์เดียวไม่ได้ไปกําหนดสิ่งเหล่านี้ด้วยความเป็นตรายักษ์นี่คือฌานสมาบัติแต่ถ้าวิปัสสนาญาณต้องถอยออกจากฌานก่อนเอาฌานมาเป็นบาตแล้วก็เดินวิปัสสนาญาณเพื่อเข้าไปเห็นความจริง แต่ที่ต้องอาศัยสมาบัติเป็นฐานเพราะสมาบัตมันขม่มนิวรได้ครับไอตัวนิวรธรรมมันมีห้าใช่หมหนึ่งกามะฉันทะความกําหนัดสองพยาบาทความเครียดความโกรธสามถีนมิท้า ห, หัวถูท้อถอย4อุทจักกุกุจกักฟุงซ่าลาคาญใจหวิจิกิจฉาความลังเล ส, สงสัยไอตัวห้าตัวเนี่ยมันก้มรุมจิตตราบใดถ้าจิตมีตัวนิวรธรรมเหล่านี้ก้มรุมอยู่ จิตไม่สามารถที่จะช้ำแลกกิเลสไม่สามารถที่จะไปเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอริยะได้เพราะเป็นจิตไม่สะอาดไม่ผ่องแผ้วท่านอุปมาเหมือนอะไรเหมือนทองคําที่ยังมีเหล็กมีดีบุกมีตะกัวมีทองแดงมีเงินผสมอยู่เนีมีทั้งเหล็กดีบุกตะกวัวทองแดงเงินแล้วก็ทองผสมกันอยู่เราไม่สามารถเอาวัตถุชนิดนี้มาทําเป็นทองเหลืองมาทําเป็นเครื่องประดับ ส่อยแหวนนาฬิกาให้สุขให้ปรังได้แม้ชั้นใดจิตเนี่ยถ้ายังมีการมาฉันทาพยาบาททีนะ้มิธาอุทธจธักกุกุจาวิจิกิจฉาก้มลมอยู่จิตประเภท น, นี้ไม่สามารถจะมาเดินวิปัสสนาญาณได้เพราะอะไรมีกิเลสก้มลมอยู่วิธีการจะกระทะจิตให้สะอาดก็ต้องเดินสมาธิเมื่อเดินสมาธิได้ปฐมฌานทุดเดยฌานเป็นต้นเนี่ยจิตที่เป็นสมาธิก็จะกระทะการมาฉันทาพยาบาททีนะ้มิธาอุทจักกุกุจาวิจิกิจฉาออก จิตก็เลยสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วเป็นจิตที่สเสถียรเป็นจิตที่ใสเป็นจิตที่มั่นคงเป็นจิตที่แข็งแรงได้จิตสะอาดแบบนี้แล้วใช้จิตเหล่านี้เป็นฐานแล้วก็เดินวิปัสสนาญาณต่อมันจึงสามารถเห็นไตรลักษณ์และชั้แลกกิเลสเป็นภรริยะได้หลักการมันอย่างนี้ฉะนั้นไม่อาศัยสมาธิมันเดินวิปัสสนาไม่ได้ต้องอาศัยสมาธิจะระดับไหนก็ว่ากันไปงี้ไปต้นยิ่งได้สมาธิสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะกิเลสก็ไม่กุ้มรุม จิตก็จะใสามากเท่านั้นจิตที่ใสก็เป็นฐานของการเดินวิปัสสนาญาณได้สะดวกแล้วก็หมดกิเลสได้เร็วนี่เป็นต้นพอจะเข้าใจนะคะเอาว่ามาอ๋อบางทีมันไม่คุ้นเคยครับจริงๆเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการกำหนดยบหนอฟองหนอก็เป็นสมถะก่อนทท้งนั้นแหละครับ คือจิตให้สงบที่มันอย่างนี้บางครั้งเนี่ยบางครั้งเราเคยกำหนดพุทโธหรือกำหนด อ, อ, อนาปนสติมาชำนานตรงนั้นเข้าสมาธิได้พอมาเปลี่ยนฐานของอารมณ์มันไม่คุ้นเคยมันก็เข้าไม่ได้มันก็เป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาเนี่ยแหละวิธีการก็คือถ้าเราชำนานในกรรมฐานอะไรแล้วก็เดินกรรมฐานนั้นเป็นฐาน เมื่อได้สมาธิดีแล้วก็ใช้สมาธิเป็นฐานก็เดินวิปัสสนาญาณต่อก็ะสะดวกแต่ถ้าต้องการอยากจะทำอย่างนี้ด้วยก็ต้องมาฝึกใหม่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเข้าได้ยากก็อารมณ์มันอยากครับยุบหน่อพองหนอเวลาอารมณ์อาณานาปานะมันละเอียดก็ยุบหนอพองหนอไอ้ยุบหน่อพองหนอมันไปกาหนดท้องนี่ ท้องเนี่ยโหฐานมันใหญ่ใหญ่พองขึ้นยุบลงพองขึ้นยุบลงใช่ไหมครับแต่ลมเนี่ยยิ่งกําหนดไปมันยิ่งละเอียดยิ่งละเอียดฉะนั้นจะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะที่มีกําลังนะครับสติสัมปชัญญะที่มีกําลังจึงต้องละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอาณาปานาสติที่ภิกษุเจเลยแล้วก็ทําให้มากแล้วจะยั้งบาปปักโซและรำมันชั่วร้ายให้สงบไปอย่างเร็วพัน เหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤ ด, ดูการย่างฝุ่นละอองที่พุ่งขึ้นให้สงบราบคาบอย่างรวดเร็วฉันนั้นใช่ไหมอานาปนสติเหมือนฝนหาใหญ่ใช่ไหมคนที่เจริญอานาปนาสติได้ได้สําเร็จแล้วสติสัมปชัญญะจะมีกําลังพอสติสัมปชัญญะมีกําลังปุ๊บมันจะสงบประงับนิวรธรรมได้เร็วพอสงบระงับนิวรารธรรมได้เร็วจิตจะมีความสุขได้ง่า ย, ยานี่ตอนแต่ก่อนจะได้เนี่ย ไอตัวอารมณ์มันละเอียดไปเรื่อยเรืบางทีมันไม่ถึงกันมานี่เป็นตอนก็ต้องเข้าใจว่าแต่ถ้าอ่านไอตัวท้องพองยบเหนี่ยวหวมันดูหยาบๆบมันไม่ไ ม, ไม่มันไม่ค่อยมั่นคงเพราะมันเห็นง่ายมันไม่ลึกอาณาบาลนสติจะลึกกว่าอันนี้ก็ต้องต้องเข้าใจฐานมันเป็นแบบนี้อา้าวนิมนต์ค่ะ เช่นยังไงทั้งหมดเหล่านี้มันอยู่ที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยคือคือประเด็นมันไม่ได้ถ้าเอาความอยากมาเป็นตัวตั้งคืออย่างนี้เวทีปฏิบัติเนี่ย อย่าไปอยากได้สมาธิถ้าเร า, เาความต้องการผลเนี่ยโดยไม่ฉลาดในการทําเหตุเนี่ยแปลว่าคุณคุณคุณทำผิดพลาดแล้วแต่ให้มีความสุขให้มีใจรักในการสร้างเหตุไม่ใช่เอาความสุขไปตั้งไว้ที่ผลแล้วก็อยากจะได้แต่ผลโดยไม่ทําเหตุให้มันถูกวิธีการก็คือว่าเรารู้ว่าถ้ามนสิกการอย่างเนี้ย มีสติในการกําหนดรู้ลมเข้าลมออกอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรามีความสุขกับการทําแบบเนี้เมื่อได้เหตุปัจจัยที่สมบูรณ์ความตั้งมั่งแห่งจิตมันก็เกิดอยู่แล้วแต่บางทีเราไปจําความรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ได้แบบเนี้ยเราก็จะทําให้มันได้อย่างนี้ได้อย่างนี้มันเลยไม่ได้มีความสุขกับการมาสร้างเหตุพยายามจะเอาผลโดยไม่สนใจเหตุทํำยังไงก็ไม่ได้ครับอย่างนั้นนะก็ต้องมามานัสการที่ทําเหตุให้มันถูก ไม่ใช่ไปอยากได้แต่ผลตะบีตะบันใช่ไหมอย่างงี้ไม่ได้ไปอ่างทองนะครับตอเ น, นี้ย อ, อนิสระนา ว, ะวนารามอ่างทองอำเภอเมืองตอนเนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติครับไปได้เลยครับอยากไปเมื่อไร่ได้เลยไปติดต่อเขาดูแลอย่างดีครับไม่ต้องไปทํากิจอย่างอื่นนั่งสมาธิกันอย่างเดียว มีอาจารย์สอบอารมณ์ตลอด น, นิสทานาวนารามอ๋อไม่ใช่เลยมันใสตั้งแต่อันแรกแล้วเพียงแต่ว่ามันเสถียรต่างกัน มันถ้าตัวปฏิภาคนิมิตก็ไ ม, ไม่ไม่มีสีใสเจ๋วเลยแล้วแต่ตัวนิมิตนั้นๆด้วย ก, ก, ก็ต้องว่าเป็นนิมิตกลุ่มไหนโอเคสมควันแก่วเวล้ายยัง